อาจารย์ครับกล่าวณมัตสการครับผมเจ ร, ริญพรคุณหมอท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัญญธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยี่สิบแปดครับอาจารย์ครับแล้วก่อนเขารายการขอถามอาจารย์พระอาจารย์ไปบินทบาทวันนี้คนเยอะไหมครับผมประมาณสามร้อยยี่สิบเ็สามรอยี่สิบคนกลับสู่ภาวะปกติวันพร้าเป็นวันพรุ่งนี้ครับผม ครับอาจารย์ครับผมตั้งชื่อวันนี้เรื่องทุกขังทุกขังอริยสัจจังครับก็คืออยากจะเรียนรู้เรื่องทุกข์ครับแล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปจากความทุกข์ครับอาจารย์ครับขอความเมตตาอาจารย์ครับอืมความทุกข์ก็เกิดจากการมาเกิดเนี่ยพอเกิดแล้วร่างกายก็ต้องมีการพันเปลี่ยนไปตามการตามเวลา จากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้เท่าอเป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอันไหนเธดก็เป็นผู้ตายอันนี้มันเป็นวงจรของร่างกายถ้าใครมาเกิดแล้วก็ต้องเจอสภาพแบบนี้ของร่างกายซึ่งเป็นอนิจจังอยู่ภายใต้กฎของตายลัคนิจจังอนัตตาไม่มีใครสามารถมาเปลี่ยนกฎนี้ได้เป็นกฎของธรรมชาติ แต่ใจที่ไม่มีปัญญาไปใจที่ถูกความหลงครอบง ก, ก็จะมีความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเวลาเจอกับความอยากเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายก็ทุกทรมานใจเพราะอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตาย ความทุกนี้เกิดจากเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่เห็นความจริงของร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาลงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นไม่ได้ความหลงเลยทำให้เกิดความอยากเพราะอยากจะมีร่างกายที่เจ็บไว้ใช้นา น, น, านเพราะว่าเจตี ต้อจิต ท, ที่ตั้องยังหาความสุขจากโล ก, กรธรรมคือลาบยศสรนเสริญ แ, และความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ก็จะเป็นจะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเพอะถ้าร่างกายนี้เป็นอะไรไปก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากโล ก, กรธรรมทั้งสี่ได้ก็เลยรักห่วงร่างกายอยากให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่แล้วก็ไม่ตายมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เจอความจริงของร่างกายเวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่มันจะตายอันนี้เป็นผลเพราะว่าเกิดจดากอวิชชาความหลงไม่มองความจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไร มองตามความอยากอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตายก็เลยทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสอนให้เราพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายอยู่เรื่อยว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา รวู้ความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงเวลามันแก่ก็ยอมรับว่ามันแก่อยู่กับความแก่ไปเวลามันเจ็บก็ยอมรับอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บเวลามันจะตายก็อย่าไปอยากให้มันไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็สามารถทำให้ละเหตุที่ทำให้ใจทุกได้ก็คือตัณหาความอยาก อยากมีอยากเป็นอยากอยู่ไปนานๆอยากแข็งแรงแล้วก็วิภาวะตัณหาก็อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายอันนี้มันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอเรามีปัญญาที่ไม่หลงลืมยําได้ทุกวันทุกเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้น้อมนั่พิจารณาทุกเวลาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายี แล้วก็จำไม่จนไม่หลงไม่ลืมแต่ถ้ายังไม่สามารถลาบความอยากได้ก็ต้องไปภาวนาไปสร้างอุเบกขาขึ้นมาไปหยุดไปหยุดจิตไปหยุดกิเลสเพราะเวลาจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตจะอยู่นิ่งกิเลสตัณหาที่อาศัยการเคลื่อนไหวคือสังขารความที่ปรุงแต่งของใจก็จะไม่สามารถทำงานได้ พอจิตมีวิเบคาจิตนิ่งเฉยเอยปัญหาความอยากก็โผล่มาไม่ได้เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์วันนี้เทศน์เรื่องปัญญาสามระดับสุตตามัยปัญญาจินตามัยปัญญาภาวนามยะปัญญานี่คือเครื่องที่จะมาละตัญหาความอยาก สองวันแรกนี้ยังไม่มีจำลวนพอแต่ก็ต้องอาศัยสองวันแรกก่อนอันแ ร, ก, นแรกก็คือต้องอาศัยการได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่เกี่ยวกับเรื่องไตรลักก่อนพอได้ศึกษาแล้วก็เอาไปทบทวนอยู่เรื่อยๆไปพิจารณาอยู่แนวๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแต่เวลาเจอความเจ็บเจอความตายก็ยังรู้สึกทุกข์อยู่ ในบางทียังไม่ทันเจอเพียงคิดถึงมันก็ทุกแล้วแสดงว่าจิตยังไม่นิ่งยังไม่สามารถหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อยู่ <Okay. S 1> ก็ต้องไปฝึกภาวนาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นอุบเบกขาเป็นอัปปนาสมาธิใจก็จะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งตัณหาความอยากก็ทำงานไม่ได้ <Okay. S 1> เราก็ใช้ความนิ่งเนี่ยมาหยุดตัณหาความอยากเวลาที่เรา เจอความทุกข์ทางใจทุกเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามถ้าทุกข์อยู่ก็ต้องรู้ว่าเกิดจากความอยากแล้วถ้าอยากจะให้ใจไม่ทุกข์ก็ต้องทําใจให้เนี้งนงยงเฉยๆยอมรับกับสภาพเหตุการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นใจก็จะความอยากก็จะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่มี ก็จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยความสงบไม่เดือดร้อนผ่านการสูญเสียไม่ว่าจะเสียลาบยศสารเสริญเสียอะไรต่างๆไปถ้ารู้จั ก, จกทําใจให้สงบรู้จักยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมโลกธรรมเจริญลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบเป็นธรรมดาเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อมยศเป็นธรรมดา มีสรรเสริญก็ต้องมีนันเนนทาตามมาเป็นธรรมดามีความสุขจากรูปเสียงกิริามมายลดก็จะต้องมีความทุกข์จากรูปเสียงกิริยลดตามมาเวลาเจอความเสื่อมต้องมีอุเบกขาถึางจะทำใจให้ยอมรับได้ไม่ไม่มีความอยากให้ไม่เสื่อมจริงๆต้องมาปฏิบัติทั้งสมาธิและปฏิบัติทั้งปัญญาสองอย่าง ปญญาเบื้องต้นยาสายการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไปมาแล้วลึกถึงความจริงเอันนิจจงเรื่องของความอนิจจของของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้โลกธรรมทั้งสีนี้เป็นอนิจจงไม่เทียมร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการสวางา่งหาโลกธรรมก็ไม่เทียมเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพยายามสอนใจไม่ให้หลงไม่ให้ ถ้าไม่ลึงแล้วครับมันจะลดความอยากได้ในเรื่องต้นก็คือมันก็จะคิดว่าเราจะไปหาอะไรมามากมายทําไมอาใหมาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องสูญเสียมันไปแล้วสูญเสียมันมันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะเราไม่อยากจะสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบก็อาจจะทําให้บรรเทาความโลภความอยากลงได้บางแต่ยังอาจจะไม่หมดนะ ถ้าทุกครั้งที่ถึงการตายได้เราจะเอาเงินไปไปมากทุกมายถึงขนาดไหนกันที่จะพออันนี้อาจจะละละตันหาความอยากในระดับอในระดับเบื้องต้นได้คือเวลาอยากจะได้อะไรก็อาจจะละได้แต่ความอยากที่ไม่แก่ไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากจะสูญเสียอะไรนี้มันอาจจะมีกําลังไม่พอ ต้องอาศัยการไปปฏิบัติจิตตภาวนาจเจริญสมถภาวนาให้จิตเข้าสมาธิเข้าสู่รูปฌานสี่เพื่อจะได้ทำจิตใจให้หยุดนิ่งเป็นอุเบกขาพอจิตหยุดนิ่งเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาก็จะรู้จักวิธีทำให้จิตนิ่งเฉยได้เวลาเกิดความทุกข์ใจก็หยุดมันได้หยุดความอยาก อาจารย์ครับผมสังเกตว่าอ่าแค่ปัญญาสองระดับล่างนี่ก็ทําให้ความทุกข์มันบรรเทาไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับอาจารย์ก็ลดความอยากลงไปเยอะเลยพอเรารู้เหนือรู้รู้เหนือรู้ใต้แล้วรู้ว่าอนาคตของชีวิตเราจะเป็นยังไงมันก็คลายความหลงไปได้เยอะลยแลาก็จะทให้เราอยากจะไปภาวนาเพื่อที่จะได้ <c oughs> ลดความอยากให้มันหมดไปเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เรายังอาจจะลดความอยากที่จะได้เงินได้ทองได้อะไรมากมายก่กลก่อนแต่เรายังไม่สามารถลดความทุกข์ใจที่เวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะใจเรายัางขาดอุบเบกขามัานก็เราก็จะทําให้รู้ว่าเราต้องทําอะไรเราต้องไปศึกษาวิธีทําใจให้สงบเป็นอุบเบกขาไปภาวนาไปจเจริญสตินั่งสมาธิ นี่นี้เวลามีอะไรเข้ามาแล้วมันเหมือนจะมีเบรกเอาไว้ไม่ไม่ไม่ให้ไปทําไม่ให้ไปยุ่งเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อย่างน้อยก็กันไว้ไม่ให้มันทํามากเกินไปแต่ของที่เราแล้ยังมีอยู่นี่เราก็ยังหวงยังหวงอยู่ครับอาจารย์ครับจะพยายามภาวนาต่อไปครับอาจารย์ครับทำตามที่ตั้งใจไว้นะอทุกวันทุกวันมากน้อยก็ทําไป มันต้องมีจุดเริ่มต้นนี่การการเดินทางจะยาวไกลถึงหนึ่งพันกิโลเมตรก็ต้องเริ่มต้นทีการจากการก้าวเท้าก้าวแรกรการภาวนาก็ต้องเริ่มต้นจากการเริ่มภาวนาทำหมดแต่โอ้มีข้ออ้างวันนี้ไม่ว่างวันนี้ไม่สะดวกวันนี้อากาศร้อนวันนี้เหนื่อยอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะเริ่มปฏิบัติได้ ต้องตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้จะภาวนาทุกวันกี่นาทีก็ว่าไปตามกำลังไปก่อนแล้วพอได้เริ่มภาวนาแล้วมันจะมันก็จะมีกำลังกาลังเพิ่มมากขึ้นไปก็จะนั่งได้มากขึ้นไปแน่ครับขอ บ, บ, บคุณพระจังครับจากคุณแว่นครับถามว่าสังขารในขันห้าหมายถึงร่างกาย คนเรามีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาหรือว่าหมายถึงการปรุงแต่งของจิตครับในในฐานะนี้ร่างกายท่านใช้คําว่ารูปรูปประคันรูปประคันคือร่างกายส่วนสังขารนี้หมายถึงความคิดปรุงแต่งของใจแต่ภาษาไทยเรามักจะใช้สังขารแทนร่างกายกันก็เราเราก็เลยงงกัน เนี่ยปัญหาอยู่ที่การการศึกษาธรรมะโดยใช้ภาษาไทยนี่มันมันจะทําให้เราสรับสนได้เวทนาเราก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าไงเวทนาเราหมายถึงสมเพสหรือเปล่าสมเพสเวทนาสงสารหรือเปล่าไม่ใช่เวทนาคือความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่ทุกข์นี่เรียกวเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุกรมมสุขะเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ขเวทนา อาจารย์ครับวันนั้นผมเลยไปลองพยายามจะอาหามาอ่านนะครับ for foundation สติปัญสี่นะครับเป็นภาษาอังกก็รู้สึกว่าเข้าสื่อความหมายได้ตรงกว่ า, าจริงๆนะครับอาจารย์ อ, อ, อ่านแล้วเข้าใจง่ายกว่าถ้าเราสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้แล้วลองไปหาอนัตตลักษณะศูนยมาอ่านอาทิตยะอาทิตยตาปริยายาตสุตตอันนี้ก็แสดงเรื่องของการภาวนาละนัดฐานหาความอยาก เราไปอ่านเนษาอังรกิจดูมันจะตรงเป๊ะเลยมันเพราะผาลังเขาจะต้องแปลให้เข้าใจความหมายของคําที่เขาใช้กันแล้วโชคดีผาลังก็ไม่ได้ชำเขาไม่ได้ใช้เขาภาษาเหล่านี้ก็ไม่มีพื้นฐานทางบาลีเหมือนภาษาไทยภาษาไทยเรามีพื้นฐานจากบาลีาาสันสกิตเยอะครับผมอมาจารย์วันตอนนี้มีคนอ่านหนังสือเรื่องมหาเศรษฐีที่แท้จริงแล้วก็บอกว่าปรับปริ่มมากเลยนะครับอาจารย์ ได้ส่งออกไปถึงคนใช่ครับหนังสือเล่มนี้เขาไม่เคยคิดว่าจะทําขึ้นมามีศรัทธาญาติโยมคนหนึ่งเขามีความปรารถนาอยากจะพิมพ์เท็จเรื่องมาเศรษฐีที่แท้จริงแล้วอยากจะให้ใส่ประวัติของเราเข้าไปที่ลงพิมพ์กเข้าวาร์ไปคนหนังสือทุกเล่มที่เราพูดถึงประวัติของเราก็มาเรียงลาดับเราพูดวันนึงก็พูดเรื่องนั้นวันนี้ก็พูดเรื่องนี้น แต่เราไม่ได้รวบรวมรวมาไว้คือเป็นประวัติไม่เคยคิดว่าจะมีประวัติของเราผล่ขึ้นมาแต่แต่ว่าญาญยมคุยกันแล้วก็คุยเรื่องสมัยเป็นเด็กเป็นยังไงบ้างสมัยอยู่กับหลวงตาเป็นยังไงบ้างสมัยภาวนาเป็นยังไงบ้างก็พูดไปตามตามตามวาระเนี่ยแล้วญาญยงคนนี้ที่เขาที่เขาเป็นทํางานที่โรงพิมพ์นี่เขาไปอ่านหนังสือจุลธรรมทั้งหมดกำลังใจทั้งหมดนแล้วก็เข้าไปค้นหาแล้วก็มาเรียนลําดับ ธรรมาที่เราได้พูดเป็นประวัติของเราขึ้นมาเพราะเลยได้ประวัติขึ้นมาครับผมได้อ่านเล่มนี้เมื่อปีห้าเจ็ดครับอาจารย์แล้วปีห้าแปดผมก็ได้ไปกาปราบอาจารยนะ์ครับผมก็เก้าปีมานั้วนะทั้งมเกือบสิบปีแล้วก็เก้าหน้าพอสมควรแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนเทือกตอนนั้นกับตอนนี้ดูเรื่องกา ร, รปฏิบัติมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นครับ มีความสบายใจมากกว่าเดิมมากแลครับอาจารย์ครับจากคุณแว่นครับการรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดจะสามารถละสมุทยัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคได้ใช่ไหมครับก็ต้องรู้สมุทัยด้วยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์บางคนไม่รู้เวลาทุกข์ไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าเขาทาให้เราทุกข์เขาด่าเราเลยทาให้เราทุกข์ ไปแก้เขาไปแก้เขาคิดว่าเขาเป็นสมุทยัยแต่ความจริงมันไม่ใช่เขาหรอกเขาเป็นเพียงแต่ตัวมากระตุ้นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราก็คือความอยากเราไม่อยากให้เขาว่าเราเท่านั้นเองเราเขาว่าเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาต้องรู้ว่าสมุทัยอยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเวลาสูญเสียเงินทางก็ไปโทษเนี่ยโอยหมดเนื่องหมดตัวเลยทำให้เราทุกข์กัน ทำจรงไม่ใช่เพราะความอยากไม่หมดเนื้อหมดตัวอยากล่าอยากรวยอยากมีเงินใช้พอไม่มีเงินใช้ก็เลยทุกขึ้นมาต้องรู้แบบนี้ครับอาจารย์ครับผมก็ได้ยินแต่กขาบอกว่าทุกมีไว้ให้เห็นเท่านั้นไม่ได้มีไวให้ร้านนี้อย่างนี้เลยเขาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือให้รู้ไงมีให้รู้ว่าเวลาเกิดทุกขขึ้นมาตอนนี้ตอนนี้เรารู้เปล่าตอนนี้เราสึกหรือทุกขไม่สุกไม่ทุกข บาที่เวลาเราทุกข์เราไม่รู้แล้วว่าเราทุกครับแต่เวลาหลานนี่คือใช้เป็นสมุทไท ย, ยทีคือเรียกว่าลาทุกข์ก็สมุทรใช่ต้องลต้องละสมุทไทยมันเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยเราก็ต้องมาดับไฟครับผมดับต้นเหตุถ้าเหตุมีมีเชื้อเพลิงอยู่แล้วก็ต้องหยุดกำตัดเชื้อเพลิงออกไปแยกไฟออกจากเชื้อเพลิง ก็จะนับได้คุณวิไลครับสอบถามว่ากิเลสกับตัณหาคือตัวเดียวกันหรือไม่ครับตัวเดียวกันอนะกิเลสคือความโลภโกรนตัณหาก็คือความอยากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากในรูปสิ่งกินลสมันก็เป็นความอันเดียวกันเป็นกิเลสเหมือนกัน คุณนัทศสักพักครับรบกวนสอบถามกรณีองค์พระพุทธเจ้าได้ให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจส่วนพ่อแม่ครูอาจารย์ให้นึกถึงพุโทโธทุกช่วงเวลาที่สะดวกผมขอน้อมสอบถามพระอาจารย์ในกรณีผมนึกถึงความตายและพุโทโธคบคู่ ก, กันไปตรงนี้ผมทําถูกหรือไม่ครับขอความเห็นจากพระอาจารย์ครับก็ได้พุโทโธคําแล้วก็ตายคําก็ได้สลับกันไปก็ได้จะได้ไม่ลืมความตาย การที่ให้ใช้ความตายนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องการฝึกปัญญาตรงที่เราต้องการฝึกสติเราก็ใช้พุโทโธไปทีเราก็ต้องดูวันละว่าเราตอนนี้เรากำลังเจริญอะไรอยู่ได้ยอย่างหนึ่งความตายนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่บางคนไม่ชอบไม่ชอบคิดไม่ชอบนึกถึงจะมาใช้เป็นกรรมาฐานก็อาจจะยากก็ต้องใช้พุโทโธไปก่อนแต่สาหรับคนที่มีใจเข้มแข็ง กล้าตอความเป็นจริงจะใช้ความตายแทนพุโทโธเลยก็ได้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆตายตายตายาทันทีพุโทโธพุทโธก็ตายตายตายตายมันก็จะทำให้ใจหยุดคิดหยุดอยากได้เหมือนกันทำให้ใจนั่งสมาธิให้ใจสงบได้คุณวิไลครับเวลาเราถือศีลแปดสามารถจะชมรายการทีวีเช่นข่าวได้หรือไม่ครับ ไม่ควรเลยทุกอย่างปิดหมดเลยทำที่สิ่งต่างๆนี้เข้ามาตามตางหูจมูกเน้อง่ายที่เป็นของที่มนุษย์เราผลิตกันขึ้นมาอย่าไปรับรู้เลยรับรู้แต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยไปอยู่ตามป่าตามเขาก็รับรู้แต่รูปขอนอดรูปของต้นไม้รูปของนกของกาอะไรไปเสียงของนกกาอะไรไปเสียงของลมพัดไปเพราะรูปที่มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่มัน ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วพอไปอ่านเรื่องสงครามใจก็ไม่สบายนะ้วคุณมาธิสาบอกว่าคนเรามีความฉลาดมีกติปัญญารู้ว่าปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกแต่ทำไมเกิดความหวงแหนความทุกข์ไม่ยอมปล่อยวางเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เพราะไม่ยอมปล่อยวางสิ่งที่เรารักเนี่ยสิ่งที่เรารักเราชอบเช่นร่างกายของเราเนี่เราไม่ยอมปล่อย ไม่อยากใมันจากออกไปพอเราไปยึดไปติดมันเราก็ทุกข์กับมันไม่มีใครยึดติดกับความทุกข์หรอกไม่มีใครอยากจะทุกข์หรอกแต่ที่มันทุกข์เพราะว่ามันไปยึดติดสิ่งที่มันรักไงสิ่งที่จิตรักจิดชอบในร่างกายมันก็เลยทําให้ทุกข์ขึ้นมาคุณวิไลครับ เวลาไม่สบายต้องแอดมิดโรงพยาบาลท่องพุทธโทรตลอดเวลาคือทำถูกแล้วใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นร่างกายทุกมากครับแล้วแต่เราว่ามันได้ผลดีไหมถ้าทำให้ใจเราเนิ่งเฉยๆได้ก็กกถูกต้องไม่ไม่ตื่เต้นตกใจไม่หวาดกลัวปล่อยให้ร่างกายทุกไปส่วนเดียวแต่ใจเราไม่ไปทุ ก, กับร่างกาย คุณบีเมครับมีน้องสาวเป็นเด็กพิเศษพิการทางสมองไม่ทราบว่าน้องสาวทํากรรมอะไรมาครับและจะมีโอกาสที่น้องสาวจะได้เกิดเป็นเด็กปกติในสักชาติหนึ่งไหมครับไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปมีตาทิพย์ที่จะไม่มองถึงบัณฑิตของเขาได้แต่โอกาสที่จะพ้นมีอยู่แต่ไม่รู้เมื่ อ, อไหร่อีกอิทธิชัยอิทธิอะไรก็ไม่รู้แต่รับรองได้ว่ามันเป็นผลจากการกระทำบาปอย่างใดอย่างนึ่ง แน่นอนถึงต้องมาเจต้องต้องมาเป็นอย่างนี้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกับอาจารย์ขันนั่งสมาธิดูลมหายใจพอเกิดเวทนาต้องการดับเวทนาเปลี่ยนไปใช้พุโทโธแทนได้ไหมครับคือเราใช้พุโทโธได้แต่เราไม่ได้ใช้พุโทโธเพื่อดับเวทนาเราใช้พุโทโธเพื่อดับความทุกข์ของใจที่อยากให้เวทนาดับ ถ้าเราไปอยากให้เวทนาดับใจเราจะทุกข์และเวทนาก็จะไม่ดับอยู่ดีเะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเวลาเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายคือเราใช้พุโทโธเพื่อหยุดความอยากของใจที่จะไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเราไม่ได้ใช้พุโทโธเพื่อให้เวทนาหายไปเราใช้พพุโทโธเพื่อหยุดความทุกขของใจที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไป คุณขวัญครับกลาบถามท่านพระอาจารย์ถ้าเราคิดมากๆเป็นห่วงครอบครัวลูกชายดิฉันคิดมากจนไม่เป็นอันทาอะไรเลยไม่อยากคิดจะทาอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับก็ทำไมไม่คิดไปในทางที่มันถูกที่ควรนะที่คิดไปตามความเป็นจริงซิอย่าไปคิดตามความหลงความอยากความอยากก็อยากจะให้ลูกชายดีมีสุขอยู่กับอยู่ไปนานๆอันนี้มันเป็นความหลง เป็นความอยากไม่ใช่เป็นความจริงต้องคิดถึงความจริงว่าคนเราทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องทุกข์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วจะต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆไปถ้าคิดอย่างนี้นะจ๊ะเราก็จะหายทุกข์ยอมรับกับความเป็นจริงของชีวิตได้คุณพัฒนันครับ บอกว่าฟังธรรมจากพระอาจารย์ได้ฝึกจิตให้นิ่งพยายามรอมรับความจริงหมั่นฝึกสมาธิแต่พอนึกถึงเรื่องว่าถ้าเราตายตอนนี้ลูกก็ยังไม่โตพอเวลาเจ็บป่วยก็คิดมากเป็นทุกข์คล้ายๆกันนะครับรอาจารย์ใช่ถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุแล้วคุณตายไปมันจะทำยังไงคุณก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะส่วนนุกเขาจะอยู่ต่อไม่ได้ไม่ได้ก็เรื่องของมุ น, ม, นมุนกับของเขาแล้ว คุณฉัดชัยครับขอถามคำถามมีสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขารู้ว่าผมปฏิบัติธรรมมาพอสมควรเขาเลกแกล้งเอาหนังโป๊ในมือถือมาให้ดูผมดูแล้วก็เกิดความกำหนัดแต่ด้วยความบังเอิญหรือบุญไม่รู้ผมกลับเอนเ r อร์เข้าสู่สภาวะที่รู้สึกว่ามีสมาธิความกำหนัดหายไปสักแต่ว่ารู้เห็นภาพนั้นโดยไม่กระทบเข้าถึงใจพูดคุยได้ปกติผมเข้าใจว่าผมน่าจะมีอุเบกขา ถ้าใจเฉยได้ไม่เกิดความกำหนัดยินดีก็ก็ถือว่ามีอุเบกขาข้อที่สองครับปกตตอนกลางคืนผมนอนอยู่รู้สึกมีความกำหนัดผมเลยกําหนดสติรู้จนความกำหนัดหายไปมีความรู้สึกโล่งว่างเข้ามาแทนผมว่าใจว่าการเอนเตอร์เข้าสถานี้ภาวะนี้ไม่ใช่อุเบกขาเพราะผมจงใจใชม่มันเป็นการมันเป็นบางทีถ้ามันไม่มีอุเบกขาก็ต้อง มังคับให้มันเข้าไปในอุเบกขาถ้าอยู่ข้างหน้ามันไม่มีอุเบกขาพอก็ต้องมังคับให้มันเข้าไปในสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาแต่การใช้สมาธิใช้อุเบกขาที่เกิดจากสมาธินี้มันจะต้องใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะไม่สามารถตัดกำลัดความอยากได้วิธีที่จะตัดความกำนัดยินดีได้ต้องเห็ น, นสุภาของร่างกายเห็นร่างกายที่เราไปหลงรัก ไปยินดีนั้ว่ามันไม่น่ารักไม่น่ายินดีเลยมันมีอาการที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังคนนึกถึงอาการต่างๆเหล่านนะั้แล้วความกําหนดยินดีมันก็จะหายไปมันก็จะได้ปัญญามันมันจะได้อุเบกขาแบบด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไม่ต้องมีการกําหนดความกําหนัดยินดีก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยพระอาจารย์ครับอย่างนี้นักบวชนี้ต้องมี ต้องมีเรื่องอสุภะอยู่ตลอดเวลาอะไรนั้นกันนะครับตั้งแต่วันบวชเลยเนี่ยพระเจ้าสอนเกษาโลมานัขาตาตาโจอุปชาสอนถ้าอุปชาไม่สอนกรรมาฐานห้านี่อุปชาทุกปรับอาบัติเนี่ยแต่อาการห้าข้อนี้ยังไม่เพียงพอเป็นเพียงแต่จุดเริ่มต้นให้ผู้มาบวช น, นี้พิจารณาให้ครบทั้งสามสิบสองอาการเวลาที่มาบวชแล้ว แต่เวลาบวชนี่ถ้าให้ท่องทั้งสามหรือสองอาการมันอาจจะจําไม่ได้แล้วก็อาจจะเสียเวล า, าการบวชถ้าบวชที่ลหลายๆคนเนี่ยมันต้องท่องสามหรือสองอาการกันก็เลยเอาแค่ห้าอาการก่อนเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาร่างกายในเป้าหมายก็คือต้องการให้เห็นครบทุกอาการของร่างกายอันนี้สําคัญมากสําหรับนักบวชอย่างน้อยก็บรรเทาตันหาความอยากได้ในระดับหนึ่ง ทำให้พอที่จะทนอยู่ในสภาพของนักบวชได้แต่ถ้าไม่มีกรมฐานเลยเนี่ยพอเกิดกำหนัดแล้วผ้ามันร้อนทนอยู่ไม่ได้เร่งลาสิกขากันเนี่ออกพกรรษาเนี่ยผาบางลูกตามธรรมเนียมนู่น อ, อยู่รอรับกระถิ่ก่อนนี่กระถิ่นของว่ายาเนี่พอดีอยู่ปลายเดือนนู่นมีบางลูกทนไม่ไหวลาลาสิกขาไปก่อนแนละ้วโอครับใจร้อน<ต>นะ แต่นับเป็นภรษาได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ได้ไแต่เราทำเนียมทำเนียมของไทยเราเราจะบวชบวชให้มันครบเครื่อง <c oughs> ต้องมีการรับกระถินด้วย <c oughs> <c oughs> คุณใบยกครับบอกวันก่อนจูจ่ๆลูกก็เกิดไม่สบายกินข้าวไม่ได้เอาออกหมดปวดตอนปวดตามตัวลูกก็นึกถึงคำของพระอาจารย์ที่ว่า มันจะมาเราห้ามไม่ได้มันจะไปเราก็ห้ามไม่ได้เจ้าค่ะจะตายก็กินไม่ได้ก็ไม่กินครับรายงานก็ดีแล้วรู้สึกยังไงสบายไห ม, มน่าจะสบายนะถ้าเราปรุงได้บอกว่าจนค่ามันก็หายเองกินน้ำได้เองทำของพระอาจารย์ทำให้ใจวางกับหลายหลายเรื่องได้เจ้าค่ะอ่าดีสาธุคุณพอลครับ การมีสติตลอดเวลาเป็นอย่างไรครับแล้วในแต่ละวันต้องทํางานประชุมแก้ปัญหาเรื่องงานส่วนตัวครอบครัวอย่างนี้จะทําอย่างไรถึงจะได้ว่ามีสติตลอดเวลาครับแล้วต้องทําอย่างไรครับก็ต้องไม่ทํางานต้องไม่ไไทำไมทํางานไปบวชอยู่คนเดียวจะได้ครอบคุมงใจได้ตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นต่างๆให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับกับเรื่องที่เรากํำลังทำงานอยู่ซึ่งก็ไม่มีอะไรมาก อาน้ำล้างหนะ้าแปลงฟันรับประทานอาหารบัดกราดทาความสะอาดเดินจงกรมนั่งสมาธินะก็เนี่ยคืองานของนักบวชมันก็จะทําให้เจริญสติอย่างได้อย่างต่อเ น, นื่องตลอดเวลาแต่ถ้าไปทํางานนี่มันก็ต้องใช้ความคิดความคิดมันก็จะล่าใจลอยไปกับเรื่องราวต่างๆคุณอภิชาติครับภาวนาแปลว่าอ่านตัวอยาก ออกใช่ไหมครับเราจะทาอย่างไรต่อครับคมองยังการภาวนานี่แปลว่าการพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจให้สงบแล้วพัฒนาจิตใจให้ฉลาดนี่คือความหมายของการภาวนาเขาเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านั่นเอง ก็ทำหน้าที่สอนคนอื่นต่อไปแต่อย่าไปสอนด้วยความอยากสอนนะอันนี้ก็เป็นปัญหาความอยากอเองให้เข้ามาหาเราไม่ใช่เราไปหาเขาแล้วอยากจะสอนเขาเป็นแสดงว่ายังมีความอยากอ ย, กอยู่เจอเยอะมากเลยครั <laughs> บอาจารย์พอศึกษาธรรมะหน่อยแล้วอยากจะสอนคนกนะัใช่ไหมอยากจะเป็นอาจารย์เนะี่ย มีคนจะพยายามจะมาสอนผมเยอะมากเลยครับคืผมก็บอกผมมีครูบาอาจารย์แล้วอาจารย์ครับก็บอกว่าขอให้ช่วยบอกชื่อภาษาอังกฤษอีกรอบครับน่าจะสติปัฏฐานสี่ครับอาจารย์ก็ uh, for foundation of mindfulness แล้วก็ถ้าอยากจะอ่ า, อานอีกสองสามประสูคที่ที่น่าอ่านก็คือ ธรรมจักรกับมาวัตนาสูตรอันนี้ก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษไปก็ได้ธรรมจักรครับหรือจะเรียกว่า first sermon ก็ได้หรื first discourse ก็ได้เป็นเป็นเป็นพระสูตรอันแรกของพุทธเจ้าแล้วส่วนอนตัตตลักษณ์สูตรก็ no self sutta no self เขียนคำว่า no self เข้าไป no self discourse แล้วอาธิตตาบยาลียะก็ the fire discourse คุณถึงเรื่องไฟคุณก้อยครับบอกกำลังเผชิญกับการสูญเสียแม่ไปซึ่งแม่ป่วยไม่นานแล้วก็เสียค่ะหลักที่เราจะเอามาระ ง, งับความโศกเศร้าวนอยู่กับความทุกข์ซ้ำๆคิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาขอพระอาจารย์ช่วยชีนะ้แนะได้ครับก็ต้องยอมรับความจริงเลยว่าแม่ไปแล้วคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ต้องยอมรับความจริงที่ความทุกข์เพราะว่าเราอยากให้แม่อยู่กับเราต่อไปเราต้องยอมรับว่าแม่ไม่มีวันที่จะอยู่กับเราได้แลนะ้วเพราะนี่คือกฎของอนิจจ์ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนต้องมีการพัดผ้าจากกันเป็นธรรมดาที่เราเศร้าที่เราทุกข์ก็เพราะเราไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแบบนี้วราคิดว่าเราจะอยู่กันไปตลอดเพราะวันหนึ่งความจริงมันมาปรากฏ็เลยทาใจไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมไว้ก่อนนี้นึงรับประกันว่าจะไม่ทุกข์แบบ น, นี้อาจจะทุกข์มากถ้ายังไม่มีอเบตตามากพออต่จะไม่ทุกข์ถึงเขาเข้าขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณมาริสาครับเวลาไม่สบายจะชอบใช้วิธีธรรมชาติก่อนคือการทําสมาธิก็ได้ผลดีอยู่ในระดับหนึ่งเจ้าค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าสามาทิสา ม, มารถรักษาโรคได้ไหมครับ ถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับความทุกง์สั้นก็ได้ถ้าโรคบางอย่างเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดความทุกข์สั้นของจิตนี่ถ้าไปทําสมาธิก็ทําให้ความเครียดความทุกข์สั้นหายไปโรคที่เกิดจากความเครียดความทุกข์ส pues ั้นก็จะหายไปได้แต่สมาธิไม่สามารถรักษาทุกโรคได้เย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ใช้สมาธิใช้ปัญญารักษาโรคทางร่างกายให้อยู่ไปนานๆ คุณอนนี่ครับการฝึกเพื่อต่อสู้กับความอยากโดยการนั่งเฉยๆควรเริ่มต้นอย่างไรครับและระหว่างที่นั่งควรภาวนาทําสมาธิไปด้วยหรือเปล่าครับคืออันนี้เป็นการฝึกแบบแบบแบบง่ายๆคือเราไม่ต้องการทรมานร่างกายเราจะนั่งบนเก้าอี้ที่สบายแต่ไม่สบายเรก็นั่งทำให้เราหลับนะห้ามหลับนะแล้วก็ห้ามอาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่อง เครื่องอยู่เช่นไม่เอาหนังสือมาอ่านไม่เอาอะไรมาฟังจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ใคแล้วก็ถ้าเกิ ด, กดนั่งนานๆแล้วเกิดความเมื่อยก็ยืนลุกขึ้นมายืนเปลี่ยนอรียาบทได้แต่ยืนอยู่ที่ข้างๆเก้าอี้ที่เรานั่งยืนจนกระทั่งรู้สึกว่ายืนแล้วเมื่อยอยากจะกลับไปนั่งก็กลับไปนั่งใหม่ส่วนเรื่องการทางใจนี้ถ้าทำสมาธิเป็นจะใช้สมาธิก็ได้ เราจะเรียนสติเป็นใช้พุโทโธอะไรอย่างนี้ก็ได้ขอให้เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในใจเราอย่าไปอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องเครื่องมือแก้สู้กับความอยากเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาถ้าเรามีก็ใช้ไปอันนี้อย่างไตอนนี้เรายังไม่ต้องถึงขั้นแบบที่มันอยู่นิ่งๆแบบทรมานาานั่งกายด้วยคือเกิดทุกเขเวทนาขึ้นมาด้วย ตอนนี้เรายังไม่มีกำลังพอที่จะสู้กับมันได้ทั้งสองอย่างเอาแค่ความอยากเคลื่อนไปขยับไปไปมานู่นมานี่ ก, ก็แล้วแต่ปกติลรานี่บางทีนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็อยากจะลุกไปตรงนู่นอยู่ตรงนู่นแล้วเดี๋ยวก็จะมาตรงนี้เวลาเราไปนั่งรอใครเนี่บางทีนั่งนั่งได้เดียวเดียวก็ต้องลุกไปเดินนู่นเดินนี้เดี๋ยว ก, กลับมานั่งใหม่พยายามหยุดความอยากเหล่านี้หยุดการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายให้นั่งอยู่กับ เก้าอี้ที่เรานั่งได้สบายนะแล้วถ้าเรามีเรื่องที่ต้องดื่มน้ำก็เอาน้ํามาวางไว้ข้างๆกันนะ้น้ำเดือดแล้วถ้าต้องเข้าห้องน้ําถ้าไม่อยากจะไปเดินไปเข้าห้องน้ํก็เอาก็ะถินมาใช้ฉีก่ก็ได้หรือว่าถ้าถ้าจะไปเข้าห้องน้ําก็ต้องอย่าทะเลทรายเข้าห้องน้ําเสร็จก็ต้องกลับมานั่งต่อหรือ ม, มาอยืนต่อในจุดเดิมคือเป็นการขังขังกิเลสขังความอยากไม่ให้มัน ถ้าาไปไหนมาไหนครับถ้าเราทําได้อย่างน้อเราจะลดละความอยากไปได้เยอะทีเดียวแล้วเราจะรู้สึกว่านั่งเฉยๆได้ครับอาจารย์ควรทํานานเท่าไหร่ดีครับยิ่งนานเท่าไรได้ยิ่งดีตั้งหกชั่วโมงเป็นไงหกั่วโ้าเราสมมุติว่าเรานั่งเครื่องบินไปอังกฤษกี่ชั่วโมงอะสิบกว่าวครับนช้ไหมสิบถ้ถ้าเกิดเราไปนั่งเครื่องบินแบบที่ไม่มี เป็นของทหารเนี่ยมันไม่มีอะไรมีแ ต, มแต่มีแต่ที่นั่งอย่างเดียวไม่มีหนังให้เรอดูไม่มีอะไรให้เราเราก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆแต่ห้ามหลับเท่านั้นเองคนใหญ่ก็จะหลับกันหนีความหีความเบื่อหนีความเสงมันก็จะหลับกันแต่เราจะไม่ให้มันหนีจใจมันนั่งอยู่เฉยๆนก็คิดว่าเรานั่งเครื่องไปไปประเทศอังกฤษก็แล้วกันอาจชิงพอกเรายังนั่งได้กันนะ เคยลองครับอาจารย์ทรมานดีเหมือนกันนะเขานั่งแบบมันนั่งหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกั น, กนครับคุณเชฟฟี่ครับคนที่อายุมากแต่ไปทําสัลยกรรมให้ดูดีขึ้นเพื่อให้ดูดีถือว่าเป็นความอยากทําให้มีกิเลสจะขัดขวางความเป็นโสดาบันใหม่ครับอ๋อมันขัดขวางแน่นอนเนะพราะมันตั้หาความอยากเกี่ยวกับร่างกายไม่ยอมรับความแก่ ต้องกาให้นางกายเป็นหนุ่มเป็นสาวให้สวยให้งามอยู่คุณสุวรรณีครับความเสียใจจากการสูญเสียคนเรารักมันเกิดขึ้นเป็นช่วงๆแต่พอความเศร้ามันเกิดก็สักแต่รู้แต่ไม่ได้มีความอยากให้มันดับแต่อยู่ๆมันก็ดับไปเองเกิดจากการที่เราปฏิบัติมาเรื่อยๆหรือเปล่าคะแล้วถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆความเศร้าในเรื่องนั้นมันจะหายไปเลยไหมครับ มันก็ควรจะหายถ้าเรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุก อ, อย่างในโลกนี้ต้องมีวันสิ้นสุดลงต้องมีการพัพกภาคจากการเป็นธรรมดาคุณดาครับขันห้าคือตัวทุกในชีวิตจริงยังเห็นว่ามีทุกบ้างสุขบ้างจะทำอย่างไรให้เห็นว่ามีแต่ทุกมากกับทุกน้อยครับคือขันตัวขันห้ามันไม่เป็นตัวทุกแล้ ตัวทุกก็คือตัวใจที่ไปอยากในขันห้าที่ไปยึดติดกับขันห้าไม่อยากให้ขันห้าจากใจไปอยากให้ขันห้าอยู่กับใจไปตลอดพอถึงเวลาที่ขันห้าจะจากใจไปใจก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าใจรู้ว่าวันหนึ่งขันห้าก็จะต้องจากใจไปใจก็ลดความยึดติดยอมยอมปล่อยให้ขันห้าจากไปใจก็จะไม่ทุกข์ คุณณัทาครับเวลาสวดมนต์จะสวดบทไหนเจ้าคะทุกวันนี้สวดมนต์มหาจากักรพรรดิแล้วก็พาหุงชินบัญชรบางท่านบอกว่าสวดมนต์มหาจากักรพรรดิเรียกผีเข้าบ้านทําให้ดวงตกจริงหรือครับคือบทสวดมนต์ทั้งบท น, นี้มันไม่มีมันไม่มีประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ทําให้รวยขึ้นแล้วทําให้อายุยืนยาวนานขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของการเจริญสติเท่านั้นเองวเวลาสวดมนต์เราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ก็ทําให้ใจเราสงบลง นั่น เ, เนการฝึกสติฝึกสมาธิไปเราชอบบทไหนก็สวดไปะควรจะสวดแบบไม่ต้องลืมตาแล้วควรจะสวดแบบภายในใจไม่ต้องออกเสียงและควรจะนั่งนั่งสวดในท่ากัดสมาธิไปเลยในท่านั่งสมาธิไปเลยถือว่าเป็นการฝึกทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ไป คุณแว่นครับขอความเมตตาแนะวิธีละตันหาสามการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาครับคือ <c oughs> ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไงอยากจะได้แฟนเนี่ยเรามักจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหม <c oughs> คิดว่ามีแฟนแล้วเราจะมีความสุขแต่ที่ไหนได้พอไปอยู่ด้วยกันแล้วถึงจะรู้ว่าออริทของแฟนนี่เป็นยังไงครับ <c oughs> แฟนไม่เที่ยงบางมองไม่เห็นความไม่เที่ยงของแฟน เวลาเข้ามาจีบเราเนี่ยโอ้เขาว่าดีแสนดีชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้าแต่พอไปอยู่กับเขาแล้วนี่ชี้นกก็ไม่เป็นนกก็ชี้ฟ้าก็ไม่เป็นฟ้าแล้วแล้วแต่ใจเขาแล้วเขาอยากจะคิดอย่างไงเขาจะพูดอย่างไรเขาก็พูดออกมาก็าไม่สนใจหรอก แ, แล้วตอนนั้นนี่คือความไม่เที่ยงของคนที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราไม่มีใครที่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกเวลาเจอกันใหม่ๆก็เอาส่วนที่ดีออกมาใช้กัน มาสแสดงกันพอได้อยู่ร่วมกันแล้วทีนี้เขาได้เราไปแล้วเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องมาเอาใจเราแล้วสิเขาเอาใจตัวเขาเองเปลี่ยนใจแล้วเปลี่นจากการเอาใจเรามาเป็นเอาใจตัวเขาเองเพอเขาเอาใจตัวเขาก็าไม่เอาใจเราเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาแล น, นี่คือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราไปหวังคิดว่าเราจะได้ความสุขจากเขา มันไม่มนไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดตลอดเวลาใหม่ๆอาจจะเป็นอยู่พักหนึ่งก็ได้เข้าใหม่ปรมามันย่างอย่างเข้าใหม่ปลามันอยู่ยังฮนนี่มูลอยู่นะอยู่ไปต่อไปแล้วมันเริ่มชินแล้วเริ่มเบื่อล้วทีนี้มันไม่เป็นฮันนี่มูนละมันเป็นบิดทามูลนะคุณชนิตาครับ ด้วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูงทําให้ใจคอยกังวลถึงอนาคตพยายามมีสติในปัจจุบันแต่วู้หนึ่งใจก็มุ่งไปถึงสิ่งกังวลต่างๆเสมออยากทราบนาทางสงบใจให้อยู่กับปัจจุบันเลิกกังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงครับเราใช้สติอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างเราใช้ความจริงว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนอะไรจะเกิดก็ย่อมเกิดได้ทุกอย่างเราไปกําหนดบังคับมันไม่ได้อย่างเพลงฝรั่งที่เรียกเคสลาเซลา Whatever will be, will be. The future is not for our, us to see. Okay, Salaam. a l a a m ค่ะผม Whatever will be, will be. อะไรเกิดก็ต้งเกิดเราจะหาการ์มครับนี่ไม่สอนเด็กนสอนลูก ลูกอยากจะรู้ว่านาคเป็นยังไงโตขึ้นนาคจะรวยจะสวยจะมีความสุขกับคนนั้นคนนี้หรือเปล่าแม่ก็ตอบว่าแม่ก็ไม่รู้หรอกเพราะเปนเรื่องของความไม่แน่นอนแต่มันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดท่านนี่แสดงว่าคนเขียนเพลงนี้ก็ถึงทำเหมือนกันนะใช่ไหมนนิจจันเหมือนกันครับคนเรามีเห็นนิจจันเยอะไม่ใช่ไม่จําเป็นจะต้องมาไม่ไม่ต้องมาปฏิบัติไม่ต้องมา ศึกษาธรรมะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมก่ น, นฉลาดมองมองเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติได้เห็นกฎอนิจจ์ได้เพียงแต่อาจจะไม่รู้จักวิธีทำใจให้รับกับความเป็นอนิจจ์เานั้นเองอันนี้ต้องมีคําสอนของพทธเจ้ามาสอนฝึกสมาธิทําใจให้เป็นโอเมกาแล้วเราสามารถที่จะรับความจริงได้คุณโชติวันครับ สภาวะที่จิตเห็นการปรุงแต่งแล้วแหวกสภาวะปรุงแต่งนั้นออกมารู้เฉยๆสภาวะนี้คืออยากอะไรครับมันไม่มีคืออะไรหรอกมันก็มันก็รู้เฉยๆไปเท่านั้นเองเราอย่าไปปรุงแต่งเราหยุดปรุงแต่งดีที่สุดปรุงแต่งก็อาจจะทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์พอเรายุรู้เฉยๆความอยากความปรุงแต่งมันก็อาจจะหยุดไปได้ถ้าไม่หยุดเราก็ต้องหาวิธีทําให้มันหยุดให้ได้ คุณเจษสาครับการเข้าสู่กระแสนิพพานหมายถึงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบุคคลผมเข้าใจถูกไหมครับเป็นการเห็นอนิจจสัตติที่เกิดขึ้นภายในใจเห็นความทุกข์ที่เกิดจากเวลาเจ็บไข้ได้ไป่วยไมหาหมอและหมอเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มีปัญญามาวิเคราะห์ว่าร่างกายไม่เที่ยงต้องแต่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ยอมรับความจริงอะ เป็นก็เป็นตายก็ตายก็จะละความอยากที่สร้างให้ใจทุกข์ได้อันนี้ต้องเห็นแบบนี้ต้องเห็นตามสภาพความเป็นจริงตอนนี้เราพูดกันนี้มันเป็นเรื่องของทฤษฎียังไม่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆมันถึงยาจะจ ะ, จะถึงถึงจะเห็นสัจธรรมความจริงเข้าสูก่กระแผ่กระสายพนี่ผ่านได้คุณ น, นุชมีครับ ถ้าคนไข้ใช้มอร์ฟีนระงับปวดจนไม่ได้สติจะ ก, กําหนดจิตสุดท้ายอย่างไรคะก็ไม่ได้กาหนดฉัก็หลับไปนั่แหละก็อย่าไปใช้มันเสีถ้าอยากจะใช้สติใช้ใช้สติใช้ปัญญาเป็นธรรมโอสถ์ก็ไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดนี่ครับมันพอดีมีเรื่องให้ฟังเนี่เรามาเข้าใจความหมายของคําว่าเกิดแล้วมันทุกข์วันที่เรามันเป็นวันเกิดแล้วที่ผ่านมาเนี่ย เป็นวันที่หมอนั่งไปฝังรากทีมตอนบ่ายพอพอฝังเสร็จกลับมาที่วัดนด้พอฤิยาชาหายไปแล้วนี่โอ้โหทีนี้ความปวดมันลุนแ้งเข้ามาอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่หมอก็ายากแก่ปวดมาเราก็ไม่กินแต่เรากินยาปฏิชีว น, นะเพื่อลดอาการหนักเส้นแต่เรื่องความความปวดนี่นบอกต้องต้องคัดอยู่กับมันให้ได้ต้องอยู่กับมัน ไม่นีมันก็ฝึกใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเนี่ยยอมยอมรับกับความปวดของร่างกายของของฟันที่มันเจ็บปวดเนี่ยเป็นมาสองวันนะวันแรกนี่รุนแรงวันที่สองรุนแล้ววันที่สอ ง, สองแล้วพอวันที่สามก็เบาหน่อยแต่ก็มีอาการไข้แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียไม่อยากจะทำอะไรวันนี้อาการค่อยจะดีขึ้นหน่อยเรื่องกลับจะมากลับมันเป็นปกติ เนี่ยทางมันยังบวมอยู่นะครับอาจา ร, รยังมีอีกซี่หนึ่งน้อยฝา ม, มัยังสองซี่ <c oughs> ครับเอาเดี๋ยว <c oughs> ่ก่อนเอาเดี๋ยวเนี่ยทุกเนี่ยทุกเนี่ยเรารู้ว่าก่อนการเกิดเป็นทุกข์ก็ต้องเจ็บไายได้ป่วยในวันเกิดของเราดีที่สุดได้รู้ว่อเนี่ยเกิดมาแล้วมันต้องเจ็บไขยได้ป่วยครับผมอาจารย์ไม่กินยากแก้ปวดเลยนะอ <c oughs> น ไม่เคยกินเลยตั้งแต่ว่าหม่ยไม่เคยกินยาแก้ปวดแต่กินยาปฏิชีวนะเะพื่อลดอาการดักเสกเพราะก<ม>ลัวยาแก้ปวดมันมีผลข้างเคยียงกลัวมันจะไปกัดกระเพาะ อ, อย่างเนี่ยอะไรว่าเราฉันมือเดียวถ้าไปฉันตอนท้องว่างเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเรื่อ ง, ง, งมีแผลในกระเพาะขึ้นมาอีกก็เลยตัดปัญหานี้ไปอย่าไปกินมันดีกว่าใช้ธรรมโอสถทําใจให้เป็นอุเบกขา ยอมรับขับความเจ็บไม่ไม่ให้มันอยากให้ความเจ็บหายไปบ่อยมันเจ็บไปแล้วถึงเวลามันก็ลดของ ม, มันไปตามเวลาของมันเองช้าหน่อยแต่มันก็ไม่มีผลกระทบทางทางเรื่องของยาที่ที่ทมาช่วยแล้วบางทีก็อยากทให้เราติดยาด้วยต่อไปเวลาเจ็บปวดก็ต้องหายาแก้ปวดมากินอยู่เรื่อยๆจากคุณปูเป้ครับ เมื่อฟังทำแล้วนะํามาพิจารณาตนทําให้ความฝันหายไปหลายเดือนตอนแรกตกใจเคยกังวลนึกว่าขาดสติเลยอาจจะฝันและจําไม่ได้พอหัวถึงหมอนหลับเร็วภาวนาพุโทโธพุโทโธหลับเลยเหมือนเตรียมลงสไลเดอร์เล่นน้าเจ้าค่ะบางครั้งหลับไม่รู้ตัวเจ้าค่ะว่าหลับตอนไหนอ๋อแล้วเมื่อตื่นมาตาสว่างมากนี่รายงานครับอาจารย์ไม่ไม่มีใครรู้ว่าหลับตอนไหนหรอกมีใครรู้ไหมว่าตอนนี้เมื่อเราหลับตอนไหนไม่มีเพราะตอนหลับมันไม่มีสติรับเร็ว คุณยุคนครับทำไมผมเวลาที่ถูกโรกธรรมแปดเล่นงานแล้วอยากจะสงบจิตใจมันจะสงบเร็วกว่าตอนทำจิตปกติครับมันก็เวลาทุกเวลาทุกมันก็ท้าทให้เราต้องต้องหาวิธีดับควานทุกข์ถ้าเวลาที่เป็นปกติมไม่ทุกข์เราก็สบายใจไม่ไม่ไม่ขวนขวาย คุณสานิทครับวางจิตยอย่างไรในสภาวะที่เป็นคารวาจนกายดับแล้วจิตไม่เกิดในภพชาติใดๆครับ อ, อก็ต้องละดันหาความอยากทั้งสามให้ได้นะอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ละความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพความสุขทางตาหูจมูนกนิ้นกายคุณกิฟครับ เวลาเราเห็นคนขอทานหรือคนจนแล้วเรารู้สึกเศร้าและสงสารเขาจริงๆเราควรวางใจอย่างไรคะเราควรช่วยเขาเสียถ้าเราช่วยเขาได้เราจะได้เกิดความสุขใจเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเราช่วยเหลือเขาไม่ได้ก็ต้องทําใจวางเฉยว่าเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมไปเขาเคยทํากรรมอะไดไว้เขาว่าอะไรต้องมารับผลของกรรมนั่นไป ผมสอบถามพระอาจารย์ย้อนไปเมื่อกี้ครับพระอาจารย์เหมือเหมือที่พระอาจารย์บอกว่าปวดในครูบาอาจารย์ที่ท่านในวาระสุดท้ายท่านก็มีความเจ็บความปวดถึงแม้ท่านเป็นพระอรหรันต์แล้วท่านก็ยังปวดแต่ใจมไม่ทุกขนะ์เลยใจไม่ทุกข์ก็ไม่ได้เป็นหยดน้ำเหมือนใบบวัวใจเป็นเหมือนใบบัวหยด น, าน้าก็คือเวทนาะที่มาสัมผัสมันไม่ซึมซาบไม่ดูดเข้าหากันแต่ถ้าเป็นพุทุชนนี่ พอหยดน้ำไปบนกระดาษเนษี่กระดาษซับกระดาษเซมนี่มันดูดเ น, เนื้อเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นสุขไม่เป็นทุกข์เวลาสุขก็ดีใจสุดๆเลยเวลาทุกข์ก็ทุกข์แบบสุดๆเลยแต่อาการทางกายของครูบาอาจารย์ก็แสดงออกได้ใช่ไหมครับอาจารย์เช่นแบบขบฟันแน่นเพราะเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยได้ไ ด, ได้มันเป็นเรื่องของขันมันไม่ได้เป็นเรื่องของจิตใจของท่าน อย่างตอนนี้ไปทําฝันเนี่ยอย่างนี้เรานอนง่าไมได้แค่ได้นอนง่าสักครั้งหนึ่งต่ะเคียนเราก็ต้องขยับขาให้มันลงมาห้อยรู้จักเก้าอี้นอนนอนห้อยเท้ามันไปเองร่างกายมันพาไปเองเพราะมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องหาวิธีบรรเทามันไปเท่นั้นแต่ใจไม่ได้ไปทุกข์กับมัน คุณโสพลครับจิตมีความสัมพันธ์กับความฝันอย่างไรครับก็จิตเนี่ยเป็นผู้สร้างความฝันความฝันก็ก็คือความคิดที่จิตสร้างขึ้นมาแล้วความฝันดีแล้วฝันลายนี่ยเกิดจากบุญหรือบาป ท, ที่เราทํามาในอดีตมันก็จะเป็นตัวผลา น, นให้เราสร้างฝันดีแล้วฝันลายถ้าเป็นบุญก็จะสร้างฝันดีถ้าเป็นบาปก็จะสร้างฝันลายคุณอัชาราครับ ชาติภพนี้ถ้าเราทําบุญร่วมกับใครก็ตามชาติภพหน้าเราต้องเกิดไปเจอเจอกับพวกเขาอีกหรือไม่เจ้าค้าหรือแล้วแต่บุญบาปของแต่ละคนครับไม่ไม่แน่นอนหล้วเพราะว่าเขากับเราเวลาตายก็ไม่ตายพร้อมกันแล้วเราไปเกิดก็ไม่ได้เกิดพร้อมกันมันก็อาจจะเจอแล้วไม่เจอเนี่ยก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะเหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปติดไฟแดงอยู่เรามีรถ ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเราครข้างนี้แล้วข้างหน้าเราไปเดิดายแดงงานเก่าเราจะเจอรถสี่คันนี่กขาว่ายากมากไหมครับยากมากเลยคุณชัยยงครับการทําสมาธิเราจะเดินปัญญาตอนไหนปัจจุบันเห็นแสงสว่างตลอดครับต้องทําอย่างไรครับออการทําสมาธิกับการทําปัญญานี่มันคนละวาระกันไม่ทําพร้อมกัน เราทำสมาธิเราทำต้องการให้ใจนิ่งนานๆวางเฉยพอออกจากสมาธิมาถ้าเราอยากจะเจ ร, ร, ริญปัญญาเราก็เจริญตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ทำสมาธิแล้วเราก็มาคิดทรรางปัญญาพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาต้องทำตอนที่เราไม่ได้ทำสมาธิตอนทำสมาธิเราไม่ทำปรรัญญาตอนทำปัญญาเราก็ไม่ทำสมาธิแยกกันคนละงานกัน การทำสมาธิก็เป็นเหมือนการพักผ่อนหลับนอนการเจริญปัญญาก็เหมือนกับการไปทํางานทำอาหากินเราแยกกันเรืร่างกายของเรานี่เวลาเราไปทำมาหากินเราก็ทําไปไม่พักผ่อนไม่หลั บ, ไ ม, ลบไม่นอนแต่พอเราทําเสร็จเราเหนื่อยเราก็กลับมาบ้านพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารเป็นคนเป็นคนละหน้าที่กันผัดกันทําเห็นภาพชัดเจนเลยครับอาจารย์ครับ <laughs> คุณจงกล น, นี้ครับพอดีเก็บกวาดบ้านแล้วเจอไข่จิ้งจกห้าฟองหากทิ้งไปจะบาปไหมคงหรือเอาไปไว้ที่วัดดีเจ้าคะทํามน้อาไปงไว้ที่วัดด้วยก็อยู่ว่าเราก็ปล่อยมันอยู่ไปสิไว้ไว้ในที่มันปลอดภยัยจะได้มันจะได้ไม่ตายครับถ้าไม่อยากให้มันอยู่ข้างในบ้านก็เอาไว้นอกบ้านก็ได้แต่ว่าไว้ที่มันปลอดภยัยที่ปลอดภัยจากสัตว์อะไรต่างๆที่จะมาทําร้ายมัน ใ้มมีโอกาสได้ฟอกได้ฟักตัวแล้วก็ให้มันได้ไปทำอยู่มันตามสภาพของมันเป็ท ม, มันจะต้องไปให้วัดเลยอะไรก็มีอะไรไม่ดียกให้วัดหมดเลยปวดกระรูปแขนหาดคอขาดก็ไปให้วัดอะไรของอะไรไม่ดีทั้งหลายยกไปให้วัดหมดเลยวันไม่ใช่เป็นสถานที่ทิ้งขยะโยมให้ขอความเห็นใจด้วยคุณลุงเพชรครับ เวลานั่งสมาธิจะเกิดหลุมลึกช่วงระหว่างคิ้วพยายามไม่เพ่งอะไรไม่ยึดไม่คิดแล้วในการนั่งแต่จะเกิดประหลอดครับในการนั่งทุกครั้งนั่งสมาธิมาห้าปีแล้วจนทุกวันนี้นั่งได้ไม่นานครับหลุมลึกระหว่างคิ้วจะเกิดหลังจากนั่งได้สักพักครับไม่ใช่ว่ามันเวลานั่งท่านั่งแบบไหนนั่งแบบมีสติแล้วไม่มีสติถ้านั่งสมาธิมันต้องนั่งแบบมีสติแล้วอาการหลุมลึกอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดมันจะ จิตมันจะว่างจะสงบจะเย็นจะสบายต้องนั่งด้วยการมีสติต้องดูลมหายใจเข้าออกแล้วพุโทโธพุโทโธไปคุณเจียบครับจิตเกิดขึ้นมาจากอะไรเจ้าคะมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ของมันมันเป็นหนึ่งใน6ธรรมชาติด้วยกันที่มีอยู่เป็นอยู่คือธาตุทั้งหจิตก็คือธาตุรู้ เราก็มีธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุานมธาตุไฟแล้วก็อวกาศสธาติเนี่ยนี่คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่มาตลอดไม่มีใครสร้างมันขึ้นมาไม่มีใครทําลายมันมันเป็นของที่เป็นส่วนประกอบที่สร้างสร้างจั ก, กรวาลสร้างโลกต่างๆสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้ธาตุทั้งหกนี้คุณนานาครับ เราสามารถนั่งสมาธิโดยนั่งบนเก้าอี้ได้ไหมครับเพราะเคยนั่งขัดสมาธิแล้วปวดขามากหนูแพ้เวทนาย่อยยับเลยค่ะเลยเปลี่ยนใจตรงกลมแต่ก็ยังอยากกลับมานั่งสมาธิครับได้ถ้าเรานั่งแบบขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งห้อยเท้าไปก่อนก็ได้เมื่อกว่าสติเรามีกําลังมากขึ้นเราอาจจะมาเปลี่ยนมานั่งในท่าขัดสมาธิต่อไปก็ได้คุณสิงโตครับ ผมยังปฏิบัติเหมือนเดิมครับจเจริญสติตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งนอนระหว่างวันคิดให้น้อยที่สุดมีความคิดอกุศล น, น้อยมากมเพราะมาคิดน้อยจะรู้ทันความคิดแต่3ามสวันนี้แปลกอยู่ที่ความคิดฝั่งอกุศลไปโผล่ในความฝันครับความคิดหรือการทําชั่วแบบเดิมเดิ ม, มาหมดเหมือนมาระบายในความขวันทุกอย่างสมจริงมากครับแต่เมื่อตื่นขึ้นมาผมก็ปล่อยวางคิดว่าเป็นแค่ความฝัน ไม่ไปยินดียินร้ายกับความฝันแบบนี้กระผมวางเจตนาถูกไหมครับอาจารย์เพราะตอนนอนเราไม่มีสติครับใช่ตอนนอนมันก็ต้องเป็นไปตามตามอดีตที่เราได้ทํามาถ้าทําเรื่องอกุศลมันก็จะมาโผล่ขึ้นมาในในความฝันของเราถ้าทําเรื่องที่เป็นกุศลมันก็จะผล่มาในความฝันของเราแต่พอเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันไปว่ามันเป็นอดีตมันเป็นเรื่องของความฝันเรารู้ว่าอะไรผิดถูกดีชั่วแล้วก็ควรจะทําตามที่เรารู้ อนไรไม่ดีเราก็อย่าไปทำทำแต่สิ่งที่ดีคุณปาริชาติครับหนูปฏิบัติตามพระอาจารย์แนะนำเป็นประจำตั้งแต่ต้นปีไม่เคยขาดเข้าฟังรายการคุณหมอเลยวันก่อนหนูคุยกับเพื่อนเขาบอกให้หนูนั่งวิปัสนาเพื่อค้นหาความทุกข์ที่ติดอยู่ในจิตเขาเรียกการรื้อถอนอะไรสักอย่างคะ่ะหนูบอกว่าหนูจะนั่งสมาธิให้นิ่งก่อน จริงๆหนูทำวิปัสสนานะคะเขาพูดอีกบ่อยๆหนูเลยตอบว่าให้ปฏิบัติตามอาจารย์ของต้นเถิดเขาโกรธหนูมากเขาบอกว่าเขาโกรธนี่เขารู้ตัวหมดนี่คือผลของวิปัสสนาและเขาให้หนูเปิดใจเราเลยไม่คุยกันอีกอย่างนี้หนูผิดไหมคะไม่ผิดหรอกตัวใครตัวมันทำไมต้องไปอยากจะไปสอนให้เขามาปฏิบัติตามแนวของเราด้วยมันเขามีแนวของเขาก็ปล่อยนอกจากว่าถ้าเขามาขอปรึกษาแล้วก็บวกก็ได้ อยู่ดีๆเขาไมไ่มาขอปรึกษาเราสัหน่อยแล้วเราไปาไปยุ่งกับเขาทำไมใช่ไหมพอเขาไม่ทําตามที่เราบอกเลยโกรธเนี่ยโกรธก็คือความทุกข์นะถ้าปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทำไมปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้แสดงว่าวิธีของเขาดับความทุกข์ไม่ได้นะใช่ไหมใช่ครับคุณออนนี่ครับ การลงทุนในหุ้นหรือคริปโตจะวางใจอย่างไรให้ไม่ตกไปทางอบายามุก ค, คะก็มันก็อยู่ที่การรู้จักประมาณอย่าปล่อยให้ความโลภความหลงมันหลอกเราจนเล่นแล้วเสี่ยงจนกระทั่งเวลาเสียก็หมดเนื้อหมดตัวถ้าอย่างนี้มันก็จะทำให้เราต้องไปทำบาปเพื่อที่จะมามาหาไรายได้เพื่อมาเลี้ยงดูล้ว ก็ต้องลงทุนแบบเราลงทุนกับทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนกับธนาคารลงทุนกับโรงงานร้อยสาขาล้านอะไรต่งตางๆ เ, เขานั่งลงทุนเขาก็บอกแล้วว่าต้องให้เกลี่ยความเสี่ยงไว้อย่าไปโยน อ, อ, อย่าไปอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนอันนี้เจ๊งก็หมดเนื้อหมดตัวไปต้องกระจายความเสี่ยงอย่าโลภมากถ้าโลภแล้วมมบางทีอยากจะทุ่มสุดๆแล้วคิดว่า น, นี่ดีอะไรทุ่มสุดๆ พอเดี๋มันพลิกเป็นไม่ดีไปหมดเนื้อหมดตัวดขึ้นมานี้แล้วก็พอไม่มีงานเราจะทําะไรก็ต้องไปหาเงินด้วยวิธีทําผิดกฎหมายอะไรคุณความจริงครับขอาการหลวงพ่ออธิบายข่อุบายหลวงพ่อในการนั่งตลอดลุ่งให้ได้ครับเราก็นั่งไปเห็นนะครับพูดโธไปอย่าลุกเวลามันอยากจะลุกก็พูดโธรพุดโธหยุดมันไป ก็มีเท่านั้นแหละคุณเพรสตี้ครับการละความพอใจไม่พอใจในโลกออกียได้ต้องฝึกปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆนี่พอใจและไม่พอใ จ, ม, อใจมันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นต่้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปถ้าไปพอใจกับมันพอมันจากไปก็จะเสียใจสิ่งที่ไม่พอใจมันเกิดขึ้นมาเราก็จะเสียใจไม่อยากให้มันเกิด มันก็จะทําให้เราทุกข์ใจเราต้องอย่าไปพอใจแล้วไม่พอใจทําใจให้เฉยๆมาก็ได้อะไรมาก็ไม่ก็รับรู้เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปไม่ยินดียินร้ายกับมันไปครับคุณอัจชลาครับการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมลืมตาสามารถทําได้หรือไม่เจ้าขาเพื่อป้องกันไม่ให้ง่วงนอนแบบนี้ผิดหรือไม่ครับ เวลาเดินนะ่ยต้องลืมตาเพราะเดี๋ยวมันเดินไปชนเดินไปมันเวลามีการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้คนรจะต้องลืมตานะแต่เวลานั่งสมาธิเมื่อร่างกายไม่ต้องเคลื่อนไหวเนะี่ยการหลับตามันได้ประโยชน์มากกว่าการลืมตาเพราะมันปิดทวารปิดการรับรู้รูปที่จะเข้ามารบกวนใจได้เน้นถ้านั่งสมาธินี้ต้องหลับตาถ้านั่งง่วงก็ให้ลุกขึ้มนมาเดินจยกโกมให้หายง่วง ก, ก่อนแล้วกลับไปนั่ง คุณปริตี้ครับถ้าติดกับการกินกับอาหารอร่อยต้องฝึกปัญญาอย่างไรครับก็ต้องคิดถึงอาหารที่เวลามันถ่ายออกมาก่อนจะกินมันก็นึกถึงอาหารว่าอาหารที่เรากินนี้ต่อไปมันก็ต้องออกมาใช่ไหมมันก็ต้องออกมาอยู่ในอยู่ในช่วงเวลาออกมาก็มองหน้ามันดูมันสักหน่อยทักทายมันสักหน่อยทุกครั้งที่อยากกินก็ให้คิดถึงอาหารที่ออกมาออกมาจากร่างกายเรา ไม่วาจะมาทางทวารหนักก็ได้หรือทางการอาเจียนก็ได้พอเห็นอาหารในสภาพเแบบนั้นแล้วมันก็จะทําทให้เราไม่อยากไม่อยากจะกินนะจากแม่ชีรูปอารมครับถ้าเราหยิบแก้วน้ําของพระขึ้นมาเพราะคิดว่าแก้วน้ําตัวเองและเห็นว่ามันไม่ใช่แก้วน้ําเราเลยวางที่เดิมโดยไม่ได้เจตนานบาปไหมครับไม่บาปหรอกคุณเอกชัยครับ เราจะต้องปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนที่จะทำให้เราไม่ต้องไปอบายภูมิเมื่อเราตายไปแล้วและการที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกก็จะต้องปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนครับขั้นไม่ไปอบายก็เกลี้ยกรักษาสี่ห้าให้ได้ก็ไม่ไปแนละ้วถ้ารักษาสี่ห้าได้ตลอดชีวิตเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแนละ้วส่วนการที่จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องละความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น คุณจิราพรครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าฟังธรร ม, มะของพระอาจารย์พร้อมกับเดินจงกรมด้วยไม่ทราบว่าต้องรู้ที่กายที่เคลื่อนไหวด้วยหรือไม่หรือฟังเพื่อเวนตาตามได้เลยคะก็ฟังไปแต่ก็ต้องดูว่าที่เราเดินอยู่นี้ข้างหน้ามีอะไรบ้างไม่ใช่ฟังไปแล้วเดินเดินไปชนนั่นชนนี่แล้วไปเหยียบสัตว์ขึ้นมาสัตว์เนื้อขาเลยตา่างๆก็ต้องดูทางที่เราเดินข้างหน้าทอดสายตาลงไปข้างหน้า มองเพดมองไปที่พื้นแล้วก็ฟังธรรมไปได้ควบคู่กันได้คุณพงศ์ครับเรียนอัปเดตครับฟ้าจารนผมภาวนาจนกระทั่งจิตเห็นว่าความคิดเป็นของหนักจิตการเข้าอัปปนาสมาธิคล่องแคล่วขึ้นขณะอยู่นอกสมาธิรู้เท่าทันกับสังขารขันมากขึ้นตามลำดับทุกเบาบางลงครับสังขารโดยเฉพาะสังขารที่คิดไปในทางความอยากต่างๆนี่ ต้องรู้ทันแ ล, ละมันให้ได้อย่าไปทําตามมันอย่าอย่าให้มันปรากฏขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาก็ต้องหยุดมันแล้วทุกข์ก็จะบังทุกข์ก็จะไม่เกิดคุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องผู้เบิกบานตอนนี้พอรู้พอตื่นแต่ช่วงนี้ไม่เบิกบานรู้สึกว่าพอเข้าใจมากขึ้นทํากลายเป็นรู้สึกเฉยๆขึ้น ต้องวางใจอย่างไรถึงจะไม่อยากเบิด บ, บานอยากมีความสุขใจคะมันเป็นยังไงไม่อยากเบิก บ, บานก็ทานี่เพื่อให้ใจเบิก บ, บานถ้าใจสงบมันก็เบิก บ, บานมันก็มีความสุขคุณใบยกครับตอนหนูไม่สบายหนูลองกำหนดพุทโธ ท, ที่ว่าจิตสุดท้ายทำได้ไหมจริงๆหนูว่าทำไม่ได้คะ่ะเราจะเพ่งแค่ตรงที่เราเจ็บ เราปล่อยมันได้ขาใจเราปล่อยวางได้แต่ต้องมาจากการที่เรามีพิ้ฐานหนการปฏิบัติมาแล้วจากพระอาจารย์ถูกไหมครับนะการปฏิบัติจะเป็นตัวที่พิสูจน์ว่าเราสามารถผ่านข้อสอบต่างๆไปได้หรือไม่คุณปอครับเวลาสวดมนต์นั่งสมาธินานๆขาจะเป็นเน็บชาปวดเมื่อยมาก อยากนั่งให้ได้นานมากกว่านี้โดยไม่เปลี่ยนท่านั่งหรืออิรยาบถอื่นๆต้องฝึกฝนอย่างไรคะให้ข้ามผ่านความปวดเมื่อยต่างๆไปได้ให้นั่งสมาธิได้นานๆครับต้องฝึกสติให้สติมีกําลังมากๆต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิฝึกทั้งวันทั้งคืนเลยเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิก็จะรันพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนคุณกำมลวันครับ ภาวนาตลอดวันสภาวะไม่โปรสภาวะโปร่งโล่งถึงโพรงจมูกเบาสบายเป็นทั้งวันคิดว่าเดี๋ยวคงจะดับแต่เป็นมาหนึ่งปีแล้วเวลาภาวนาควรจะรู้ลมหายใจด้วยอารมณ์เบาสบายปฏิบัติถูกทางไหมครับก็ควรยังมีสติรู้ลมหายใจเวลาเราภาวนาแล้วใจเราก็จะสบายใจเราก็จะเย็นจะว่าคุณเพชรพลอยครับ ผ้าจาหนูนองลองนั่งสมาธิดูลมหายใจที่ปลายจมูกวันนี้ที่วัดได้ครึ่งชั่วโมงนั่งยาวครั้งแรกนานถึงจุดหนึ่งเหมือนนั่งใ น, ในถ้ำมีแสงสว่างเป็นระยะแต่ยังรู้สึกถึงลมหายใจได้หนูเลยกลับมาที่ลมหายใจอีกไปไปกลั บ, ก, บกับหลายครั้งอันนี้ต้องทาอย่างไรต่อหรือคิดไปเองครับควรจะอยู่กับลมอย่างเดียวอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจครับอันนี้คล้ายเมื่อกี้ถามไป ชาตินี้เกิดมาในครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเคยญาติกันหากตายไปเกิดใหม่จะอยู่ในครอบครัวเดียวกันไหมครับก็ไม่มีอะไรแไน่นอนอนาคตคุณองุนเปร Church, ี้ยวครับทำอย่างไรจึงจะทำให้สติกลับกล้าแข็งครับ <S <S ก็เนี่ย <cier> มันจเจริญสติตั้งแต่เลืนตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนมันจเจรินพุทโธพุทโธคำเดียวนี้เท่านั้นแหละ ทำให้มันต่อเนใ่นให้มันเป็นสัมปชัญญะไม่ขาดตอนคุณบุญยวีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ที่เรามีสามีเจ้าชู้เขาไม่ยอมหยุดอย่างนี้เขาเรื่องว่าเป็นกรรมเก่าของเราแล้วจะทาอย่างไรให้สามีเราคิดได้ทุกวันนี้โยงก็สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ค่ะอย่างนี้จะช่วยได้ไหมคะก็ต้องทําใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เราอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปอยากเปลี่ยนเขา ก็เหมือนกับไปการเปลี่ยนผลไมก้ก็เป็นสับประรดแต่อยากง่ายก็เป็นส้มโอยมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องอยู่กับสับประรดไปเขาเจ้าชู้ก็ต้องพ่านอยู่กับเขาหัดชอบสับประรดแล้วมันก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์ที่เครียดาไม่ชอบสับประรดอยากจะกินส้มโอครับ <laughs> คุณเที่ยวไปเรื่อยครับผมพิจารณาตามคําสอนพระอาจารย์ว่าเราเกิดมาหาความสุข รูปรถกลิ่นเสียงจริงๆเช่นบ้านรถสิ่งของเสื้อผ้าและภรรยาผมเข้าใจแล้วกำลังจะค่อยๆปล่อยวางไปทีละตัวครับรู้สึกว่ามีแล้วก็เป็นทุกข์จริงๆครับอสาวทุกข์จะเน้นทางทางไปสู่การหยับทุกข์เห็นอันนี้จังทุกข์กาลนาตา <c oughs> คุณบุญชูครับ กลับเบนถามครับเวลาจะตายเราสามารถเข้าสมาธิได้ไหมครับจะได้ไม่ทรมานหากเรายัางไม่ได้พระโสดาบันครับก็อยู่ที่ว่าตอนนี้ตอนที่เราไม่ตายเราเข้าได้หรือเปล่าถ้าตอนที่เราไม่ตายยังเข้าไม่ได้ตอนที่เราจะตายก็คงจะเข้าไม่ได้ยังต้องหัดเข้าได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายพอถึงเวลาจะตายแเรวก็เข้าสมาธิไปจากผู้ไม่ประสงออกนามครับ กับนักสักการพระอาจารย์หากจิตเราพอใจอยากทำบุญอยากทอดกระถิ่นด้วยเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมเจ้าคะไม่เป็นกิเลสเป็นเป็นธรรมความอยากการทำความดีนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสกิเลสคือความอยากหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นล้อยากการเที่ยวอยากการกินการดื่มอยากอยากโลกกระทำเนี่ยถ้าอยากจะไปหาความสุขอยากโลกกระทำเรียกว่าเป็นกิเลส แต่ถ้าถ้าอยากจะหาความสุขจากการทําบุญรักษาศีลภาวนานี้ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมะเป็นมรรคเป็นทางสู่การดับทุกข์อยากแบบนี้อยากได้ทั้งหล่ยิ่งดีคุณกุ้งครับมีความอึดอัดใจกับเพื่อนร่วมงานและยังคงต้องทางนานร่วมกันอยู่ควรวางใจอย่างไรครับก็ต้องยอมรับเขาตามความเป็นจริงของเขาถ้าเป็นสับสนลดก็ต้องยอมรับเขาอย่าไปอยากให้เขเป็นส้มโว ก็เท่านั้นแหละคุณกิฟครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าปฏิบัติแบบไหนถูกจิตเราครับก็ทําให้จิตเราสงบระงับความอยากต่างๆได้คุณแอนครับทํายังไงให้มีสติอยู่กายครับก็พฝ้ดูร่างกายทุกเคลียบบทตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็ดูตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนกำลังท่านอน กำลังลูกก็รู้แล้วก็ต้องดูรับเปลี่ยนท่านละ้วกำลังยืนก็รู้กําลังเปลี่ยนท่ากําลังเดินก็ต้องรู้แล้ทุกเรียาบทการเคลื่อนไหวของร่างกายนะนี่คอยเฝ้าดูทุกเรียาบทเป็นเหมือนเป็นให้ดูร่างกายเป็นเหมือนนั่งโทษแล้วเป็นผู้คุมนักโทษต้องไม่ให้มันคลาดจากสายตาเราไปเลยอาจารย์ครับเวลาที่ดูร่างกายอยู่แล้วบางทีมีอารมณ์ที่เด่นขึ้นมาชัดกว่ากายเราก็ดูที่อารมณ์นั้นอย่างนี้ถูกไหมล่ะยึดยึดที่กายต่อไป แค่ต้ไปดูลมเท่านั้นเอากลายอย่างเดียวคุณอภินันครับการให้กําเนิดบุตรเป็นบุญหรือไม่ไม่ครับก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราว่าเรามีความสุขกับเขาหรือมีความทุกข์กับเขาลนะ่ะถ้ามีความสุขก็เป็นบุญถ้ามีความทุกข์ก็เป็นบาปก็เป็นก็เป็นความทุกข์ก็ไม่เป็นบุญ คุณวชิราครับเวลานั่งสมาธิแล้วตัวกรมใหญ่ว่างจะกําหนดยังไงครับให้ผ่านไปครับไม่ให้ไปสนใจให้เรามากําหนดอยู่กับพุโทโธนี่อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เราดั้งมันเป็นอาการที่มาหลอกเราเป็นมายาเป็นภาพหลอกภาพลวงไม่ต้ไปสนใจคุณมาครสีครับ ปกติใช้นาฬิกาปลุกเพื่อลุกขึ้นตามความเพียรแต่อยากตื่นโดยไม่ใช้นาฬิกาปลุกของอุบายพระอาจารย์ครับไม่ยาไมไปใช้มันเลยแล้วก็นั่งจิตไว้ก่อนจะหลับว่าจะตื่นเวลานั้นส่วนใหญ่มันก็จะตื่นตามที่เรากำหนดไว้ด็อกเตอร์ินกรครับถ้าเราปฏิบัติตาม น่าจะเป็นสติปัฏฐานสี่นะครับสามารถเข้าถึงอนิพานหรืออย่างน้อยอนาคามีภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีได้ตามประสูตรจริงหรือไม่ครับยิ่งสต่เนี่ว่าพราะพุทธเจ้าเราเป็นคนโกหกเท้านั้นเลยพะพุทธเจ้าพูดทุกอย่างมีความจริงหมดอยู่ที่เราปฏิบัติตามได้เท่งนั้นหรือไม่คุณอ้อนครับถ้าเรารู้ว่าจะต้องเจอคนหรือเหตุการณ์ที่จะทาให้ใจเราไม่สงบวุ่นวาย แล้วเรารู้สึกอยากหลีกเลี่ยงหรือจริงๆแล้วเราควรเจอเพื่อทดสอบจิตใจให้ว่าอุเบกขาดีคะแล้วก็ต้องเตรียมทําใจให้เป็นอุเบกขาก่อนที่จะไปไปเจอเหตุการณ์ต่างๆถ้าใจเราไม่มีอุเบกขาเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆใจเราก็จะไม่สงบก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้ส่วนจะจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็อยู่ที่เหตุผลว่าควรจะหลีกหรือไม่ถ้าคนรจะหลีกก็หลีกถ้าไม่หรือถ้าหลีกไม่ได้ถ้าต้องเจอก็ต้องเจอ แล้วแต่เราจะพิจารณาคุณจิรพรครับถ้าเราเพิ่งมารักษาสินห้าอย่างจริงจังตอนบ้านปลาชีวิตไม่ทราพอจะคุ้มครองไม่ให้ลงอบายได้ไหมครับเพราะตอนเด็กๆ เ, เคยตกปลาข้าวุเล็กสับน้อยเช่นหมดพลงครับก็อยู่กับขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำไว้มันมากกว่าการรักษาสินของเราอันไหนมันมากกว่ากัน การรักษาสิ่งของเราไม่ทํำบาปมันน้อยกว่าการการทํำบาปที่เราทํามาในอดีตกาลังของการทําบาปมันก็ยังมีมากกว่ามันก็จะพาเราไปเกิดในอบายไดโยเวลาถ้าเราเป็นพระโสดาบันนะเราก็จะสามารถนองรับการไปเกิดในอบายได้ สุชาติพิสครับแฉก็คืออธิบายเรื่องกอารปฏิบัติคนเห็นความเกดดับเห็นการย้อนต้องอนกันดูร่างกายเรมันร่างกายมันเกิดแล้วมันต้องดับแค่นี้ร่างกายทุกทุกคนที่เรารู้จักนี้เขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องดับไปแต่เราไม่ยอมมองไม่ยอม คุณองังุนเปรี้ยวครับมนุษย์โลกทั้งหมดมีกรรมเป็นตัวกําหนดทุกเผ่าพันธุ์ใช่ไหมคะหาเขาไม่นับถือพุทธศาสนาเขาก็ไม่ทราบใช่หรือไม่ครับโดยกรรมเป็นตัวกําหนดให้เขาอยู่อยู่สุขแล้วอยู่ทุกข์เกิดมาสุขแล้วเกิดมาทุกข์กรรมเป็นตัวกรรําหนดแต่แต่การมาเกิดนี้มันไม่ได้อยู่ที่กรรมมันอยู่ที่ความอยากการหาความอยาก คุณอนนี่ครับเริ่มฝึกสมาธิได้ดีขึ้นเข้าถึงความสงบได้นานขึ้นแต่ยังไม่ได้เริ่มฝึกวิปัสสนาเพราะก็อลองทําดูเสียเวลาเราออกจากสมาธิเข้ามาพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายก่อนมาปล่อยวางร่างกายก่อนให้ไนดะ้หรือปล่อยวางร่างกายของคนอื่นถ้าเรายังทุกข์กับร่างกายของคนอื่นเช่นทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกไม่อยากให้เขาแก่แม่เขาตายก็ต้องพิจารณาเขาก่อนพิจารณาให้ จิตยอมรับแล้วปล่อยวางเขาได้เรียกว่าิปัสนาถ้ายังปล่อยไม่ได้ราแสดงว่าสมาธิเรายังมีกําลังไม่มากพอก็ต้องกลับไปทําสมาธิเพ่อสลับกันทำสองอย่างเ ว, าเวลาเวลาออกจากสมาธิไปมาฝึกปัญญาได้แล้วถ้าฝึกปัญญาแล้วยังยังละความทุกข์ไม่ได้ละความอยากไม่ได้ก็กลับเข้าไปในสมาธิเพื่อทำสมาธิให้มีมากขึ้น คุณณัทธสภักครับผมเดินจงกรมอยู่บ้างบางครั้งจะได้ยินเสียงหัวเขา่ามีเสียงบ้างตรงนี้ผมอยากสอบถามว่าเราจะอุเบกขาปล่อยไปหรือไปหายามาทานเพื่อรักษาป้องกันเพื่อไม่ให้มีอาการรุนแรงถึงกระดูกข่าเสื่อมได้ครับมันเป็นเฉพาะเวลาที่เราเดินจงกรมอย่างเดียวหรือ เ, เ, เวลาที่เราเดินทําอย่างอื่น ไ, ไม่เป็นยอย่าไปอ้างนะเพราะว่าบางทีพอเดินจงกรมขึ้นมานี่ร่างกายเป็นอะไรไปเต้นไปหมดเลย แต่เวลาไปเที่ยวไปกินไปดืม่มนี่มันไ ม, ไม่ไม่มีอาการเหล่านี้เลยก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นเฉพาะตอนที่เราเป็นเดินจงกรมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเป็นทั้งวันทั้งคืนเวลาเราเดินไม่ว่าจะเดินจะไปทำอะไรมันก็เป็นอาการขา่านี่ก็ต้องไปหาหมอละไปไปปรึกษามหมอให้หมอดูว่าควรจะทำอย่างไรแตอย่าไปอ้างว่าเดินจงกรมแล้วเป็น <laughs> คุณสัะธรรมครับถ้าเราละความอยากไม่ได้แสดงว่าการนั่งสมาธิไม่ก้าวหน้าใช่ไหมคะใช่สมาธิเรายังไม่เข้าถึงอุเบกขาจิตเรายังไม่สงบหยุดความอยากเป็นยังไม่ได้คุณอุงุ่นเปเรี้ยวครับการตัดความอยากเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความตัดความอยากให้มากขึ้นได้ไหมครับก็ตัดของง่ายก่อนไแล้วค่อยไปตัดท้องเดีย่ข อ, องที่ง่ายก็คือของนอกกาย ของที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีนี่เราก็ท่านถึงสอนให้ตัดด้วยการทำบุญทำทานของที่เรามีเกินความจำเป็นที่จะต้องมีแล้วก็เอาไปทำบุญทำทานก่อนของเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้เป็นปีๆนี้ก็เอาไปทำบุญทำทานเอันนี้เป็นการทำตัดของที่ง่ายก่อนแล้วค่อยๆมาตัดของที่ยากคือของที่เรารักของที่เราห่วง เรียนพระอาจารย์ครับตอนนี้คําถามที่เข้ามาสดๆหมดนะครับเพื่อนๆสามารถจะถามเข้ามาได้นะตอนนี้มีโอกาสนะครับผมจะขอโอกาสพระอาจารย์ถามคําถามจากที่เคยโดนข้ามไปนะครับพระอาจารย์ครับครั้งก่อนๆจากคุณมินนิ่งครับบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาขับรถแล้วเห็นคนที่เป็นโรคเท้าแสนปมนั่นจักรยานผ่านลูกไปข้างหน้าในขณะนั้นรถติดจึงเห็นอย่างชัดเจนรู้สึกกลัวเนื่องจากรถติดนานจึงพี่นาำมองผิวหนังของเขาและมองทะลุ ไปเห็นกระดูกจึงหมดความรู้สึกกลัวเพราะมีกระดูกเหมือนกับเราไม่เที่ยงเหมือนกับเราคิดแบบนี้ถูกไหมครับอาจารย์ทำให้ใจเราไม่เศร้าว่าถูกนะมีคำถามจากคุณเกสครับบอกว่าจะทราบได้อย่างไรครับว่าการกำหนดในรูปแบบนั่งสมาธิเป็นการกำหนดที่ถูกต้องกลัวว่าที่ทำอยู่จะเพ่งเกินไปหรืออ่อนเกินไปครับ อ, อ๋อไม่ต้องไม่ต้องกังวลทําไปเถอะท่านจะใช้พุโทโธก็พุโทโธพุโทโธไปอ่ามันทำไปเรื่อยๆทำ ม, มันก็จะสามารถปรับความพอดีในม่ยเราก็อาจจะไม่รู้เข่งเกินไปและหย่อนเกินไปทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรู้เองการปฏิบัตินี้มันจะทําให้เรามีประสบประการแล้วเราก็จะประสบเราก็จะปรับการปฏิบัติของเราไปตามประสบประการ มีคุณมกข่าบอกว่า เ, าเราควรนั่งสมาธิไปถึงจุดไหนครับถึงควรจะออกมาพิจารณาวิปัสสนาได้ครับมีจุดสังเกตอย่างไรไหมครับเไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่พิจารณาวิปัสสนาเลยไม่ออกมาจากสมาธิเลยให้ออกจากสมาธิของมันเองไ<ว>ม่ใช่เราอยู่ดีๆเดึงมันออกถ้าเราเข้าสมาธิได้ให้มันอยู่ในสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่ามันจะไม่อยู่แล้วมันจาออกมาของมันเอง อันนั้นแนะ่ะพอออกมาแล้วก็พิจารณาทางปัญญาได้ทางวิปัสสนาได้มีคุณน า, นานาบอกว่าเพิ่งเข้ามาดูจาก Youtube จะจะไปกราบอยากจะไปกราบหลวงปู่ค่ะคุณอัดภากรครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราเจออุปทานตัวหนึ่งที่ไหลอยู่ในจิตเราแต่เราไม่มีกำลังพอที่จะดับมันเราอาศัยดูไตรักของมันทุกครั้งที่มันเกิดไปเรื่อย อย่างนี้มันจะหายไปเองได้ไหมครับหรือต้องใช้กำลังสติเพียงอย่างเดียวครับก็ต้องอาศัยใลรักด้วยแล้ว อ, อาศัยสติด้วย2 อ, อย่างอาศัยอุเบกขาด้วยมันถึงจะสามารถกำจัดมันได้คุณเพชรพลอยครับขอสอบถามพระอาจารย์ในการเจริญปัญญาอย่างง่ายสาหรับผู้เริ่มต้นครับ ก็มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เราสัมผัสรับรู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยร่วมเป็นของไม่เที่ยงฮะเป็นของช่วข้าวมีเกิดแล้วก็ต้องมีวันดับต้องมีการพัดผ่าจากกันคุณพิชาครับอยากเริ่มสมาธิเริ่มต้นอย่างไรคะเริ่มต้นที่สติฝึกสติตังต้งากลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุโทโธไป ้พอมีเวลาว่านก็นั่งหลับตาแล้วก็ต้องคุดโทตตอไปคุณกิฟครับการที่เราเห็นเราเห็นโพสเชิญชวนทำบุญจากวัดแต่เรามีความสงสัยหรือไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ทางวัดจะทำเราบาปไหมครับไม่บาปหรอวมันเป็นเรื่องความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนคำถามที่ค้างไว้นะครับอาจารย์ สมถะภาวนาคือการบริการพุโทโธพุธโทโธส่วนวิปัสนาคือการเจริญสติให้เข้าถึงปัญญาแต่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่อย่างใดเพียงบริการพุโทโธกับเจริญสติปัญญาอย่างเดียวอย่างนี้ถือว่าเป็นการเจริญสมถะและภาวนาวิปัสนาได้ถูกต้องแล้วหรือยังครับก็ต้องทําทั้งสองอย่างแต่แยกกันทําต้องทําสมถะภาวนาก่อนทําจิตให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายก่อนแล้วเวลาออกจากสมาธิมานก็ไปพิจารณา ทางไตรลักษณ์พิจณาอธิจฐาทุกขังอ น, นตัตตาก็เป็นทางปัญญาคุณละดาครับถ้าเราตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจเพื่อเป้าหมายสู่นิพพานจะถือว่าเรามีความอยากหรือมีกิเลสที่จะให้ได้นิพพานหรือไม่ครับออไม่หรอกการอยากไปเป็นไปนิพพานนี้เรียกว่าเป็นธรรมเป็นมักไ ม, ไม่ไม่ใเป็นกิเลส เรียนถามเวลาเจอปัญหาหนักในชีวิตไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ตามหัวข้อวันนี้ที่พึ่งทางใจอันประเสริฐช่วยขยายความและวิธีปฏิบัติครับไม่ทราบว่าจะถามเรื่องอะไรกันเน่น่าจะเจอปัญหาหนักในชีวิตนะครับไม่สามารถล่าให้เขให้ใครฟังได้ครับอยากจะขอที่พึ่งทางใจครับอาจารย์ ก็ยังมันจะต้องไปไปพูดกับใครว่าเราก็มาศึกษาว่าปัญหาของเราเกิดจากอะไรถ้าเราศึกษาธรรมะเราก็จะรู้ว่าปัญหาของเราเกิดจากความอยากของเราเองเราก็มาหยุดความอยากของเราทั้งนี้เมื่อหยุดความอยากได้ปัญหาในชีวิตก็จะหมดไปยังมันจะต้องไปไปเพึ่อไปพูดอะไรให้กับใครก็าฟังฟังเขาเขาก็าช่วยอะไรเราไม่ได้นอกจากถ้าไปคุยกับพระพระเขาบอกว่าให้ละความอยาก จากด็ตอร์ินกรครับพระอาหารหันต์จะมีจิตเข้าถึงพุโทโธโดยอัตโนมัติตลอดทุกขณะจิตเลยหรือไม่ครับคือคำว่าพุโทโธนี่มันคำบริกรรมถ้าท่านไม่บริกรรมถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีพุโทโธอยู่ในใจนที่ท่านใช้พุโทโธเพื่อให้สร้างสติขึ้นมาพอท่านมีสติอัตโนมัติแล้วท่านก็ไม่ต้องใช้พุโทโธเหมือนกับเลาเข้าเฟือกนย เวลาขาเจ็บแเราก็จะเข้าเฟือกพอขาหาเจ็บแล้วก็ววถอดเฟือกอกอก น, นั่นเอพุโทโธก็เป็นเหมือนเฟืกประคับข อ, ของจิตให้มีสติขึ้นมาพอสติ ม, มีพอจิตมีสติของของมันแล้วมันก็ไม่ต้องพึ่งพุโทโธอีกต่อไปครับคุณนันทการครับถ้าเราเผลอไปรบกวนคนที่เข้าสมาธิอยู่ไปเรียกเขาออกมาจากสมาธิบาปไหมครับไม่บาปหรอกว่าเป็นเหตุที่เราไป ไปไปเบริการทำบุญทาการสร้างบุญสมบู์ของเขาเท่านั้นเองซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เราจะไปเรียกใครต้องดูตามตาตาเลยก่อนเราไม่ไปเรียกคนที่เขานอนหลับอยู่ใช่ไหมบ้าทำไมเวลาเขานั่งสมาธิมันก็เหมือนกัน ค, คุณชานนครับอาการได้สมาธิจากบริกรรมพุทโธแตกต่างจากการดูลมหายใจอย่างไงบ้างครับ ไม่ต่างกันเหมือนกันได้ได้อปปนาสมาธจจจจิได้ความสงบได้เอุเบกขาเหมือนกันคุณอินทพลครับจำเป็นไหมคะว่าต้องมีกำลังฌานในการเข้าถึงมรรคครับก็ต้องมีฌานแล้วก็มีปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเข้าเข้าถึงมรรคได้เข้าถึงมรรคถึงผลได้ คุณจิราพรบอกว่าอยากไปกราบฟังเทศจากพระอาจารย์ที่วัดยานกี่โมงที่พระอาจารย์ลงเทศแล้ววันไหนครับก็เทศเทุ่วันเสาร์วัอาทิตย์วันหยุดราชการแล้วก็วันพระเวลาบ่ายสองโมงที่หน้ากุฏิห้าคุณกุ้งครับเราสามารถหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าได้หรือไม่ครับได้ถ้าเราไม่อยากจะรับกรรมเก่าเราก็ต้องอยากกรรมเกิดนั่นเอง ไม่นิพานแล้วก็ไม่ต้องมารับกรรมก่มต่อไปคุณอนนี่บอกมาว่าตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ที่เข้าใจง่ายหนูไม่หลงทางแล้วใช้บารมีสิบเป็นเครื่องนาทางและเพียรเจริญสติเก็บสะสมไปทุกๆวันค่ะครับกับพระคุณพรอาจารย์ครับสาธุพุนลักษมนุนบอกว่าถ้าเรากําลังเข้าสมาธิลึ ก, ลก แล้วมีคนมาเรียกดังเราจะเป็นอะไรไหมครับถ้าเราเรื่องๆ เ, เราก็จะไม่ได้ยินเสียงน้อยเลยถ้าถ้าเราถ้าเราเข้าไปเรื่องแต่ยินเสียงเงาแต่ถ้าเรามีโอเบคาเราก็จะเฉยๆก็ได้ไม่ไปไม่ไปตอบกับเรียกร้องของเขาแล้วก็นั่งของเราตอบไปได้ถ้าเรามีแล้วถ้าเราอยู่ในสมาธิจากคุณสมพรครับ ถ้าโยมเอาเงินที่ญาติโยมทําบุญกรถิ่นแรกเป็นแบงก์ใหม่แล้วเอาเงินแบงก์ใหม่ทำบุญกรถินโยมจะบาปไหมครับที่แลกแบงก์เก่าให้เป็นแบงก์ใหม่แล้วจึงนําเงินที่ญาติโยมร่วมทําบุญกรถิ่นมากรับโยมไปทําบุญกรถิ่นต่อครับไม่มีผลตา่างกันหรอือแบงก์ใหม่แบงก์เก่าซื้อของได้เท่ากันหรือเปล่าครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟได้เท่ากันหรือเปล่ามันอยู่แค่นั้นนะคุณม็อกค่าครับ ถ้าไม่อยากให้สมาธิเสื่อมเราควรปฏิบัติสมาธิเป็นประจำใช่ไหมครับโดยปกติผมนั่งสมาธิประมาณวันละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแบบนี้ได้ไหมครับได้คนจะปฏิบัติทุกวันลราก็ยาสามารถนั่งได้ทุกวันแต่ถ้าเราต้องการปฏิบัติให้มันมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มเวลานั่งให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณเขมจิลาครับทานศีลภาวนาหากรักษาและปฏิบัติไม่ได้สม่ำเสมอจะพาให้พ้นจากอบายภูมิไหมครับ ยังแบบนั่นทานทาน่ทานยังทําไม่ได้สม่ำเสมอทางกสิณคือบุญกับบาปมันก็จะมาแย่งจิตเราแล้วแต่ว่าอันไหนมันมากกว่ากันถ้าบุญมันมากกว่าบาปก็หนึงไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็ยันนึงไปอาบายครับคุณอ่างุ่นเปรี้ยวครับหากเราร่วมทําบุญกรถิ่นด้วยจํานวนปัจจัยที่สูงแต่เพื่อหวังผลประโยชน์ให้เขาทําบุญกลับเมื่อเรามีกรถินถือว่าบาปไหมครับ ไม่แบบทำเป็นกิเลสมีความว่าความอยากเราทำบุญเพื่อล่ ก, กิเลสเราอย่าไปอยากอย่าไอยากได้อะไรจากการทำบุญของเรานอกจากการละวางปล่อยวางอความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอันนี้เป็นเป้เปาหมายของเรา mm hmm. ไม่ได้ไปหวังว่าจะต้องใครจะต้ามาตอบแทนเราเราไปงานเขาแล้วเขาจะต้องมาช่วยงานเราอันนี้เป็นเรื่องของกิเลส คุณทัศนาครับกราบเรียนถามหลวงพ่อครับเวลาใส่บาทอุทิศให้ทีละหลายหลคนได้ไหมครับได้แต่ต้องก็ต้องแบ่งกันนะถ้าทําทำบัตรบุญร้ลลอยร้อยถ้าเราทำให้คนเดียวเขาก็ได้ให้กนได้เต็มร้อยแต่ถ้าเราให้สิบคนก็ต้องแบ่งกันคนละคนละสิบบาทต้องมองไป<ม>ทำบุญถวายพระนะจะทําบุญถวายรูปเดียวร้อยหนึ่งพระรูปเดียวก็ได้ร้อยหนึ่ง แต่ท่านนิมนต์พระสิบรวปมารับน้อยหนึ่งก็ได้องค์สิบมาคุณ <laughs> ลักษมณ์ครับถ้าดีหนุ่มสาวเคยทำบาปหนกัหนกๆตอนต่อมาทำดีเป็นส่วนใหญ่ตายจะพอหลุดอบายได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับบาปประมูลที่เราทำว่าอันาหนจะมีมากกว่ากัน ค, คอมเมนต์สุดท้ายครับอาจารย์บอก ปกติช่วงกระถินนี้ผมจะหลงบุญไปมันทุกวัดแต่พอฟังพระอาจารย์แล้วเข้าใจเลยทำครั้งเดียวตูมเดียวหมดก็พอวัดเดียวเลยไม่ต้องไปหลายๆวัดครับมันได้ผลเท่ากันนะจะแบ่งเฉลีย่ยไปสิบวัดมันก็เงินก้อนเดียวกันมัน ก, มน ก, มนก็มันก็ได้บุญเท่ากันอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังอยู่ใน f a c e b o o เจ็ดร้อยหกสิบแปดคนในยูทูหกร้อยสามสิบสามคนในคาร์เพาสิบเอ็ดคนครับ วันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกัน 1,412 คนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าคิดว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นำไปใช้กับการปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาต่อไปการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจง นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินินพิจารณาไปปฏิบัติเพื่ อ, อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุสุดท้ายนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ